เหมือนกันเลยใช่ไหมเออในกรณีที่ยอมยอมถามปัญหาเรื่องว่าการที่พุทธศาสนาสอนเนี่ยจุดมุ่งหมายสูงสุดคือบรมธรรมเราจะเห็นได้ชัดคือพระพุทธเจ้าสอนเรื่องขันติปรมังตโปตีติขาในหลักการในพุทธศาสนาเนี่ยขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเป็นตะบะอย่างยิ่ง <c oughs> นิพพานังปรมังวัฏฐานติพุทธา ผรู้ทั้งหลายกล่าวว่านิพพานนี่เป็นบรมธรรมก็เป็นจุดสูงสุดอันนั้นเป็นการบอกหลักการหลักการพุทธศาสนาว่าต่างจากศาสนาอื่นอย่างไรศาสนาอื่นเนี่ยสอนเรื่องตะบะยกตัวอย่างในสมัยของพุทธการตะบะในสมัยก่อนเนี่ยเขาถือการทรมานร่างกายเขาถือการทรมานเช่นศาสนาเชนนี่เป็นต้นถือการทรมานร่างกายตนเองด้วยการถอนขอภยัยถอนขนทีละเส้นละเส้นเนีถอน เขาถือว่าถ้าทรมานร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นการชดใช้กรรมคือทิฏฐิของคนในยุ ก, ก่อนเนี่ยมันมีสามหนึ่งปุเพกตาเหตุวะธทาทิฏฐิพวกกลุ่มเชื่อกรรมเก่าสุขทุกขสมหวังผิดหวังได้ดีตกยากในี่โยนไม่ให้กรรมแนดีตเป็นผู้ผโดนบันดาลนี่นี่ประเภทแรกถามว่าพวกเรามีความเห็นแบบนั้นไหม เห็นว่าส so ุขท yes, so UM. ุกข <There 's, S 2> ์ที่เราได้รับสมหวังผิดหวังที่ได้รับดีชั่วทั้งหลายที่ได้รับได้สุขได้ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ในปัจจุบันที่ได้รับเนี่ยทั้งหมดเป็นเพราะกรรมในอดีตเป็นเพราะกรรมเก่านี่รัตทิกรรมเก่าอ้าวพุทธเป็นหรือไม่เป็นตอนนี้เป็นหรือไม่เป็นถูกหรือไม่ถูกเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดอย่างนี้ก็เรียกเข้าใจผิดใช่ไหมทิฏฐิวิปลิติรัตทิกรรมเก่าเดี๋ยวเดี๋จะขยายอีกที สองอิสระนิมานะวาทะทิชฐิเชื่อว่าสุขทุกข์สมหวังได้ดีได้ดีสมหวังตกยากทั้งหลายเหล่านี้ทั้งสมหวังผิดหวังทั้งหลายเหล่านี้ยสุขทุกข์ทั้งหลายที่ได้รับในปัจจุบันเนี่ยเป็นเพราะเทพเจ้าเป็นผู้ดนบันดาลนี่รัติอิสระนิมานะวาทะคือเชื่อว่ามีเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์เทพผู้เบญจ์เป็นใหญ่ในการคอยโดนบันดาลกาหนดชะตาชีวิตของมนุษย์ เนือของสัตว์โลกให้เป็นไปตามอำนาจของผู้บงการของผู้เป็นใหญ่นี่นี่ลที่ที่สองลที่ที่สามะไอเหตุการวาธาทิธิเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นลอยๆยไม่มีเหตุปัจจัยแล้วแต่ดวงดาวทั้งหลายมันบังเอิญเนี่ยเช่นบังเอิญว่าดาวดวงนี้มาทับลักษณาดาวดวงนี้ จึงเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงของโลกเราจึงได้รับสุดได้รับทุกข์สมหวังผิดหวังก็เพราะนี่แหละเป็นเพราะอเขตบังเออเนี่ยดาวตัวนี้มันเข้ามาวา ง, งั้นเถอะเป็นเหตุ ท, ทำให้บ้านเมืองประเทศไทยเดือดร้อ น, นเพราะดาวตรงนี้เหมือนหมอดูเที่ยวทํานายกันในวิทยุ<ด>ในโทรทัศน์กันอยู่เนี่ยแม่อย่างเงี้ยเป็นต้นสรุปก็คือว่าทิฏฐิที่ผิดพลาดเนี่ยมีอยู่สามทิฏฐิ ที่ที่แรกที่เชื่อว่าสุขทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากเป็นเพราะกรรมเก่าชาวพุทธเป็นเยอะดงั้นเวลาเราประสบเคราะกรรมก็ดีสมหวังผิดหวังในปัจจุบันก็ดีแล้วก็เยียวบอกว่าโอ้เป็นกรรมของเราอย่างนั้นเลยชดใช้กรรมเนี่ยลัทธิชดใช้กรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในนิคร น, นาตบุตรในครูทั้งหกเนี่ย ในคูทั้งหก็จะมีปุรณะกัสปามคลีิโคสาละอาชิตาเกสกัมพลปะุธากัจยานานิครนนาตบุตรเนี่ยเนี่ยตัวนี้ครนนาตบุตรเนี่ยสอนว่าให้ชดใช้กรรมวิธีการชดใช้กรรมก็คือทรมานเหมือนถ้าเป็นชาวพุทธในประเทศไทยเราก็ทำไมฉันต้องมาแต่งงานกับคนเนี้ยโอ้โหแสนทรมานก็ทดใช้กรรมไป บางคนก็นเป็นภรรยาเขาชดใช้กรรมเป็นสามีก็ชดใช้กรรมเป็นลูกก็ชดใช้กรรมเป็นพ่อเป็นแม่ต้องมาดูแลลูกคนนี้ก็ชดใช้กรรมเป็นหมอก็มาชดใช้กรรมสมมตอย่างนี้ไปเข้าใจว่าเนี่ยเป็นกรรมเก่ า, กาล้วก็เลยต้องยอมรับยอมจำนนแล้วก็ชดใช้กรรมไปการเห็นแบบนี้ผิดหรือถูกผิดหรือถูกผิด ถ, ถูกไม่หมดกรรมในอดีตกับกรรมในปัจจุบันเนี่ยกรรมอันไหนสําคัญที่สุดโอ้โหลากยาวเลยนะ คำว่ากรรมในที่นี้ท่านบอกถึงเจตจํานงความจงใจความตั้งใจนั้นะพระรยาบอกว่าจะเป็นหมอกระเพราะกรรมจะเป็นตำรวจกระเพาะกรรมจะเป็นท gaming, นาหารก็เพาะกรรมจะเป็นครูก็เพาะกรรมจะเป็นพอ gaming, ่อค้าประชาชนทั้งหลายแม้จะเป็นผู้นําแม้จะเป็นพระใะก็เพราะกรรมกรรมในนี้เพราะเจตจํา น, านงเพราะความจงใจเพราะความตั้งใจที่จะเป็น ก็เลยฝึกผลตนเองพัฒนาตัวเองเพื่อไปเป็นในจุดนั้นๆที่ตัวเองปรารถนาและต้องการอันนี้เขาเรียกปัจจุบันกรรมเขาจะยังแต่คนไปเข้าใจว่าที่ฉันมาอยู่อย่างนี้เพราะกรรมในอดีตการไปเข้าใจลักษณะนี้เข้าใจเพียงเสี้ยวเดียวไม่ถึงยี่สิบปอร์เซ็นตการไปเข้าใจอย่างนี้ก็เลยโยนทุกอย่างไปให้ในอดีตทั้งนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเกิดมาจะเป็นขอทานก็เพราะกรรม ฉันเกิดในสลัมก็เพราะกรรมฉันเกิดเป็นคนภูเขาก็เพราะกรรมฉันเกิดเป็นชาวไร่ชาวนาก็เพราะกรรมไปโทษกรรมในอดีตแล้วก็ยอมจำนนต่อกรำวิธีคิดแบบเนี้ยเป็นวิชาทิฐิเป็นความเห็นผิดคำว่าวิชาทิฏฐิเห็นผิดไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงแท้จริงเนี่ยมนุษย์สามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองเป็นไปได้าตามเจตจำนงและความจงใจตั้งใจที่จะเป็นก็อย่างเดินก่อนให้เข้าใจหลักตรงนี้ก่อนนะนี่เป็นเรื่องที่ที่ยอมทำ ส่วนลัทธิหนึ่งไปเชื่อว่าทุกอย่างเ<บ>ทพเจ้าโดนบันดาลอย่างนี้เขาเรียกว่าอย่างแรกเนี่ยเสียหายหนึ่งส่วนไอ้เชื่อกรำเก่าเนี่ยเสียหายหนึ่งส่วนหนึ่งเสียหายเสีหยสหายส่วนไหนไปเ<ม>ชื่อกรรมในอดีตก็เลยไม่ค้นขวายความดีความชัว่วเออไม่ค้นขวายไม่ไม่เชื่อฉันทะความรักปรารถนาดีในปัจจุบันไม่เชื่อความเพียรในปัจจุบันไม่เชื่อปัญญาในปัจจุบันนี่เสียหายปัจจุบันนี่เสียหายหนึ่งส่วน แต่ส่วนอดี ต, ตมันมีส่วนอยู่ไหมมีแต่มันน้อยขาอยายยางประการที่สองอิสระนิมานาวาทะมีเสียหายสองส่วนเสียหายสองส่วนก็คือไม่ไม่ค้นควายในปัจจุบันด้วยเพร<อ>า<จ>ะเชื่อว่าแล้วแต่เทพเจ้าจะดนบันดาลให้มีอันเป็นไ ป, ไปเป็นนู้เป็นยอมจำนวนสองเทพเจ้าที่โดนบันดาลก็ไม่มีจริงด้วยไม่มีจริงด้วยนะเอา ท, ทําไมถึงบอกว่าอย่างนั้นเพราะโดยหลักการของหลักเหตุและผลเนี่ย เทพเจ้าถามว่าเทพเจ้าที่เป็นดนบันดาลคือใครออย่างพระพรหมใช่ไหมเป็นผู้โดนบันดาลตอนที่พระพรหมมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพรหมเป็นผู้สรารภาพของพระพุทธเจ้าเองว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่สัพพัญยูไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผู้ดนบันดาลตนเองไปเกิดเป็นพรหมได้เพราะเพราะอะไรเพราะบำเพ็ญศีลโดยเฉพาะถึงเรีนสมาธิได้สมาบัติ ได้ปฐมฌานเมื่อได้ปฐมฌานแล้วในชาติที่แล้วในสมัยพระกัสสป่าสมาสุภริยาต้นเองทําปฐมฌานให้เกิดขึ้นจากการได้ปฐมฌานตายแล้วเลยไปเกิดในปฐมฌานภูมิเป็นพรหมชื่อว่าสามบริพรหมแต่ก่อนชื่อสหกากพิกขุพระริยาบอกเธอไม่รู้เส้นทางการไปเกิดเป็นพรหมไม่รู้เส้นทางการไปเกิดเป็นเทวดาไม่รู้เส้นทางการไปเกิดเป็นเป็นอสุรกายพิเศษเด้ฌาน จะเป็นสัตว์นรกเนี่ยทํายังไงเพื่อไปเกิดเป็นสัตว์ดิบฉาญไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นสุกรเป็นมนุษย์เป็นเทวดาแล้วเป็นพรหมเนี่ยมันเป็นเส้นทางแห่งการที่ทํากรรมสร้างเหตุปัจจัยที่ไปเกิดไม่ใช่ว่าไปเกิดตรงนั้นแล้วมาโดนบันดาลให้สรรพสิ่งมันเกิดขึ้นมาได้เพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุและปัจจัยอย่างนี้พอมองเห็นนี่อย่างนี่ตามเนี่ยหลักหลักหลักงธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มีเรื่องหนึ่ง เอมีอุบาสิกมีผู้ยมผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปอ้อนวอนไปอ้อนวอนเอาข้าวมาทุบอาญาตไปอ้อนวอนบูชาพระพรหมเพราว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างเป็นต้นพระพรหมก็เดือดร้อนเพราะเพราะลูกชายบวชพระมาบิณฑบาตไม่ยอมเอาอาหารพิเศษให้ลูกจินแต่ไปอ้อนวอนพระพรหมนึกว่าพระพรหมโดนบันดาลพระพรหมก็เลยลงมาเองเลยเพราะผมว่างโง่แท้ การไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยเราไม่ได้ไปผู้ดนบันดาลแต่การไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าต้องประพฤติปฏิบัติจนได้ฌานสมาบัติแต่ก็ยังไม่สามารถพ้นจากทุกข์เพืไปเกิดเป็นพรหมได้ในพักกาพรหมในบทภากหุงที่เราใช้สวดกันเนี่ยบทสุดท้ายบทที่แปดเนี่ยพักกาพรหมเนี่ยเป็นมิจฉาทิฐิสําคัญว่าตนเองเป็นผู้สร้างเป็นผู้ดนบันดาลเมื่อคิดแล้วมันผดขึ้นมา พระเจ้าต้องไปแก้มิจฉาทิฏฐิไปแก้บอกว่า<ะ>เธอมือนแล้วหลงแล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้ระลึ ก, ลกจำได้ไหมว่าชาตินั้นเป็นอะไรชาตินั้นเป็นอะไรสร้างเหตุปัจจัยอะไรจนมาเป็นอย่างนี้นเข้าน่กเข้าแก้มิจฉาทิฏฐิของพรหมนี่ได้พรหมก็เลยได้ได้บรรลุถามอย่างนี้เป็นต้นนั้นจะได้เข้าใจว่าอิสลามนิมาณวาทาเนี่ยหนึ่ง เชื่อว่าสุขทุกข์สมหวังผิดหวังได้ดีตกยากเนี่ยเป็นผู้มีผู้สร้างในเสียหายสองส่วนส่วนแรกละเลยในปัจจุบันส่วนที่สองเอาความยอมซีโร ล, ล่าไปไว้กับเทพเจ้าซึ่งไม่รู้วเป็นไครเขยาใหญ่อย่างเสียหายสองส่วนประการที่สามอเหตุกาวาธทาทิถิพวกนี้ปฏิเสธ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นลอยๆจะสมหวังผิดหวังได้ดีตกยากน่ะมันแล้วแต่แล้วแต่ดวงดาวบ้างแล้วแต่เหตุบังเอิญบ้างเป็นต้นประการที่สามเสียหายมากคือเสียหายทุกส่วนเข้าใจไหมคนที่เชื่อว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยเนี่ยแก้ไขยากที่สุดคือปฏิเสธปฏิเสธมาทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร่อยๆสุขก็เกิดขึ้นเรลอยๆทุกข์ก็เกิดขึ้นลอยๆสมหวังผิดหวังเกิดขึ้นมาลอยๆ ชีวิตของชะตาชีวิตของมนุษย์เนี่ยที่ได้ดีตกยากสมหวังผิดหวังท่างหลายเรื่องนี้เรื่องบังเอิญเท่านั้นไม่มีเหตุปัจจัยอย่างนี้แก้ไขยากอ้าเข้าถึงประเด็นที่ยมถามถ้าถามว่ามันเป็นความเห็นหรือเป็นความจริงกรณีที่เห็นว่ามีมีหลักเทวานิยมหลักหลักมีเทพเจ้าเป็นผู้ดลบันดาลและผู้สร้าง ต้องบอกว่านี่เป็นความเห็นเป็นความเชื่อเป็นลทัทธิใช่ไมเป็นลทัทธิแต่พุทธศาสนาคำว่าพุทธะพุธทธิเนี่ยไม่ใช่ลทัทธิคำศัพท์เนี่ยมาจะกคำว่าปัญญาคำว่าพุธทธิโพธิสมโพธิเนี่ยก็คือปัญญาปัญญาที่ไปรู้ว่าความจริงอย่างไรก็รู้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้มาตรัสรู้สิ่งที่ไม่ไม่ใช่ความจริงสิ่งนี้มีอยู่แล้ว ทุกมีอยู่เหตุให้เกิดทุกก็มีอยู่ความดับทุก็มีอยู่หนทางให้เขาถึงความดับทุก็มีอยู่กฎความจริงกฎธรรมชาติมีอยู่เช่นอุตุนิยามเนี่ยความแน่นอนของความเย็นความร้อนมีอยู่แล้วธรรมชาติเนี่ยมีอยู่ไม่มีใครยุงมาดลบันดาลสร้างพีชนิยามกฎของพืชพันกฎของพันธุกรรมมีอยู่จิตนิยามกระบวนการของจิต เช่นจิตเห็นจิตได้ยินทั้งหลายมีอยู่ไม่ใช่ไม่ ม, มีจิตทําหน้าที่เห็นจิตทิ้งทนี่ในยินได้กลิน่นลิม้มรสมีอยู่กรรมนิยามเจตนาะเจตจำนงมีอยู่ทั้งหมดรวมสู่ธรรมนิยามสารรพสิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายมันมีอยู่เข้าใจนะมันมีอยู่พระเจ้าไม่ได้มาตัดสรู้สิ่งที่มันเลอะเลยสิ่งที่มันพระเจ้ามาเนี่ยมาค้นพบความจริงมีอยู่ ที่เราสวดธรรมนิยามเนี่ยบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นกฎธรรมดากฎความจริงธรรมนิยามธรรมธิติเนี่ยหลักความจริงเหล่านี้ก็มีอย <plane>. ู่แล้วพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ความจริงนี้ก็เลยมาเปิดเผยมาแสดงมาบอกกล่าวให้รู้ว่าความจริงเป็นอย่างนี้ก็เลยเรียกว่าพุทธิก็เลยเรียกว่าพุทธะแค่นี้เองคือมาทําปัญญาเห็นรู้ความจริงเสียว่าความจริงอย่างไรก็รู้ตามความจริงอย่างนั้น ลักษณะนี้ก็เลยได้พุทธะทีนี้ถ้ารู้ความจริงว่ากิเลสเนี่ยเช่นราคะโทสะโมหะความโลภความโกรธความหลงมีอยู่ไหมมีศรัทธามีอยู่ไหมศรัทธาวุริยะสติสมาธิปัญญาก็มีอยู่แต่มนุษย์เนี่ยถูกความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาลิสยาหรือกิเลสทั้งหลายไม่อยู่เหนือ ส่วนศรัทธาความเชื่อมั่นวิริยะความเพียรสติความลึกได้สมาธิความตั้งมั่นแล้วก็ปัญญาความรู้ความเข้าใจเนี่ยถูกอะไรถูกกิเลสกรอบอยู่เมื่อกิเลสกรอบอยู่กิเลสนําพาชีวิตเมื่อกิเลสบงการชีวิตอยากได้อะไรก็เป็นไปตามความอยากนั้นมนุษย์ยอมจำนนยอมเป็นทาตุของกิเลสเข้าใจไหมยยอมเป็นทาตของความโลภยอมเป็นทาตของความโกรธยอมเป็นทาตของความมัวเมารุ่มหลง ถ้าความโกรธมันเกิดขึ้นมาบงการชีวิตมันโกรธใครมันก็ไปจัดการกับคนนั้นมันมันคอนโทรไปเลยไปจัดการโลภอยากได้อะไรมันคอนโทรได้ก็ผลักดันคนนั้นให้ไปทําหลงมัวเมาอะไรมันก็ผลักดันให้ไปทําแปลว่ามนุษย์เนี่ยยอมจำนนคือต่อกิเลสคือทุกจริญทั้งหลายเหล่านี้ยกดดันมนุษย์อยู่พระเจ้าบอกว่าธรรมชาติกิเลสมันก็มีอยู่ แต่ธรรมชาติของกุศลมันก็มีอยู่นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาสีนสมาธิปัญญามันก็มีอยู่แต่แ ต, ต้องให้เขตปัจจัย พระพุทธเจ้ามารู้ความจริงนี้พระพุทธเจ้าบอกให้เหตุปัจจัยมาที่ทําศีลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญได้ทําสมาธิที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญได้ทําปัญญาที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเจริญได้สามารถให้อาหารมันแล้วเมื่อศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเจริญขึ้นมาก็อยู่เหนือราคะโทสะโมหะพัฒนาปัญญาต่อที่สุจริงละได้จริงๆทํากิเลสให้นิพพานได้จริงๆคําว่านนิพพานไปว่าดับยงยง ทำกิเลสให้นิพพานก็คือทําโลภะให้ดับได้จริงทําโทสะให้นิพพานได้ทําโมหะนิพพานได้อย่างที่พระเจ้าทํากิเลสให้นิพพานที่ใต้ต้นพระศรีมาคพแล้วพระ อ, องค์ก็มีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจอดอยู่45ปีบปําเพ็ญพุทธกิจพอจอบพุทธกิจเบเสร็จปุ๊บขันก็นิพพานพระ อ, องค์ก็เวียนหมดไม่ต้องเวียนว่าตายเกิดแปลว่าอะไรเนี่ยก็คือธรรมชาติต้องทำให้ธรรมชาติคือกิเลสมันนิพพานทําให้สภาพของกุศลเขามามีบทบาท เมื่อกิเลสในกระแสะชีวิตของของมนุษย์เนี่ยตายหมดแล้วนิพพานหมดแล้วก็หมดเชือ้อหมดเชื้อการเกิดนีรรมมนรรมด่มันเรื่องธรรมชาติเรื่องธรรมดามันเรื่องธรรมชาติถ้าใครทําได้อย่างนี้ก็หมดการเวียนว่ยายตายเกิดมองเหน็นได้ยังทีนี้พอพูดถึงเรื่องความเชื่อเนี่ยไม่จําเป็นคุณจะเชื่อยังไงถ้าตราบใดคุณความเชื่อนั้นไม่สามารถที่พัฒนาไปสู่ปัญญาที่ไปเห็นความจริง ความเชื่อของคุณก็ยังเป็นแค่ความเชื่อเป็นแค่ความเห็นคุณก็ไม่สามารถนำพาชีวิตออกจากกิเลสและกองทุกข์ได้คุณก็ต้องวินว่าตายเกิดจะเป็นพุทธหรือไม่เป็นพุทธจะเป็นคริสต์อิสลามซิกินดูไม่เสียไม่สอนไม่ส น, สนแต่ถ้าใครก็แล้วแต่จะเรียกอะไรก็ได้แต่คนคนนั้นพัฒนาศีลสมาธิโดยเฉพาะพัฒนาปัญญาไปจนถึงโลกุตละปัญญานะเป็นปัญญาที่อยู่เหนือกิเลสจัดการกิเลสได้ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉทะดัตดัตถะก็กิเลสหมดแล้ว เมื่อกระแสชีวิตไม่มีกิเลสก็เป็นกระแสชีวิตที่บริสุทธิ์หมดจดเมื่อหมดจดแล้วก็ไม่เหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดพืชเมื่อเอาไปขั่วไฟแล้วเนี่ยจนยางเหนียวมันแห้งหมดแล้วถามมันจะขึ้นไหมมันไม่ขึ้นแล้วมันมียางเหนียวแม้ชั้นใดก็กิเลสในใจของมนุษย์ของสัตว์โลกเนี่ยมันถูกปัญญาประหารหมดเกลี้ยงแล้ ว, ลวก็หมดเชื้องการเวียนว่ายตายเกิดไม่สนคุณจะเป็นศาสนาอะไรก็ได้ ก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเป็นกินดูมาเงี้ยเป็นพรามเป็นกินดูนับถือต้นไม้นับถือเทวดานับถือพรหมก็มีนับถือพระจันทร์พระอาทิตย์ก็มีมากันทั่วหมดแต่พอมาฟังธรรมเสร็ยทําปัญญาให้เกิดขึ้นประหารกิเลสได้ไม่สนว่าคุณจะนับถืออะไรมาพราะกิเลสตายกิเลสตายนิพพานแล้วชีวิตคุณเป็นอยู่ชั่วระยะหนึ่งพอกระแสชีวิตหมดกระแสชีวิตจบลงเขาเรียกนิพพาน กิเลสหมดจากข ad yeah. ันธสันดานเขาเรียกกิเลสนิพพานขันของบุคคลกระแสชีิตของบุคคลที bad, s right. <S ่กิเลสหมดตายน่ะเขาเรียกขันนิพพานเห็นไหมเขาเรียกนิพพานสองก็จะยังพอพระธาตุหมดเขาเรียกธาตุบริณิพานนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือคําว่านิพพาน่แปลว่าดับดับคืออะไรดับกิเลสต้องนิพพานก่อนสัตว์โลกที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่สนจะเป็นพระเป็นโยมไม่สนถ้ากิเลสคนยังมีอยู่ คุณก็เวียนไหวใจเกิดแต่ถ้ากิเลสนิพพานด้วยกำลังของศีลสมาธิโดยเฉพาะปัญญาประหารเด็ดขา ด, ขาดก็เรียกว่ากิเลสนิพพานคุณมีชีวิตอยู่ตามอายุไ ข, ขกระแสะชีวิตคุณจบเขาเรียกขันธปรินิพพานชัดเจนไหมก็หมดการเวียน่าตายเกิดฉะนั้นถามว่ า, วาที่กลับมาเวียนไหวใจเกิดเนี่ยเฉพาะแต่คริสต์อิสลามซิกินดูใช่ไหมไม่ใช่พุทธก็เยอะ คนที่นับถือพุทธแบบเราเราทั้งหลายที่ยังไม่สามารถค้นขวายทําให้กิเลสนิพพานก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดมองเห็นนี่ยังทีนี้ไม่ได้ไปเกิดอยู่กับพระเจ้าไปเกิดอยู่กับใครก็ได้เป็นเทวดาก็าไปเกิดอยู่กับเทพพระบุระบระทรเทพธิดาอะไรเยอะแยะหมดคุณจะเรียกพระเจ้าก็ได้เรียกใครก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะคนคนนั้นดนบันดาลแต่เป็นเพราะกรรมคือการกระทําของคนนั้นเนี่ยเป็นตัวผลักดันทำให้เขาไปเกิดเองมองเห็นยังเป็นไปลักษณะแบบนี้ พอจะตอบชัดเจนไหมพอชัดเจนไหมมีอะไรพอจากเพิ่มเติมไหมเอ้ามีใครถามต่อยอมที่ถามปัญหาพอจะชัดเจนไหมมีประเด็นอะไรเพิ่มติมเอ็นไบ ใช่ใช่ใช่เย้ไปเอ่ออ๋ออ๋ออ๋อ ๋อดีดีดีดีโอ้โอ้อดีดีถามตรงนี้ได้ดีใช่ใช่ เอเดี๋ยวตอบประเด็นนี้เออในกรณีที่พระโมคคลานนะก็ดีในกรณีที่ชาดดก550ชาติปัจจุบันเนี้ยถ้าเป็นคนจริงๆมีประมาณ547ชาติขาดไปสามชาติคือในตัวพระไตรปิฎกเนี่ยถามว่าที่เรื่องกล่าวเรื่องอดีตตงกรรมน่ะใช่ไหมใช่คือเรื่องกรรมนี่ยสามการโยม อ, อดีตปัจจุบันและอนาคตในเรื่องกรรมเนี่ย แต่ถามว่ากรณีเนี่ยคนที่ไปเชื่อกรรมเก่ามันเสียหายตรงไหนเสียหายตรงที่ตนเองงอมืองอเท้าแล้วไม่ยอมขวนขวายก็เลยขาดการความไม่เชื่อความเพียรในปัจจุบันไม่เชื่อปัญญาในปัจจุบันไม่เชื่อฉันท่านในปัจจุบันก็เลยการขาดความเพียรพยายามในปัจจุบันเลยเสียหายเลยอายกตัวอย่างเศรษฐีบุตร เศรษฐีบุตรเนี่ยสองสามีภรรยาเนี่ยเป็นลูกของเศรษฐีมีวันหนึงพระบรมศาสดาสเสด็จไปบินน บ, บาถเห็นสองตายายเนี่ยตาบอดอยู่ในขอทานอยู่พระเจ้ากระชี้แย้มพระโอชี้ว่าเธอเห็นไหมเนี่ยเศรษฐีเนี่ยอดีตเศรษฐีอ่ะแก่พิการตาบอดทั้งตั้งคู่เป็นขอทานอยู่เห็นพระเจ้าข้าก็เลยบอกว่านี่ไงถ้าในปฐมวัยคาว่าปฐมวัยแต่เกิดถึงยี่ห้านะ ถ้าในปฐมวัยขนขวายขนขวายทางโลกจะได้เป็นมหาเศรษฐีในเมืองนี้ถ้าออกบวชสามีถ้าขนขวายออกมาบวชออกมาขนขวายในการประพฤติปฏิบัตินะสามีจะได้เป็นพระหักฐาภรรยาจะได้เป็นพระนาคาเนี่ยเห็นไม่เสียหายเลยวิบัติเนี่ยวิบัติแล้วในปฐมวัยอมัชชิมะวัยตั้งแต่ยี่บห้าถึงห้าสิบถ้าขนขวายทางโลกจะได้เป็นมัชชิมเศรษฐีเศรษฐีระดับกลาง แต่ถ้าข้นขวายในการประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญเพียร น, นะจะได้สามีจะได้พระนาคาภรรยาจะเป็นพระสะกัดทาคาแต่กุวิบัติเลยไม่ได้อ้าวไม่ปัดฉิมเอาไว้ตั้งแต่ห้าสิบยันยันยันก่อนที่ ส, สมองจะฟอเนี่ยถ้าหากข้นขวายในทางโลกจะได้เป็นจุลเสถียรษษษษษเป็นเสถียร น, น้อยๆในเมืองเนี่ยแต่ถ้าออกบวชนะประพฤติปฏิบัตินะสามีจะเป็นพระสะกัดทาคาภรรยายจะเป็นพระโสะดาบัน แต่วิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะอะไรเพราะไม่ขวนขวายปัจจุบันกรรมไม่เชื่อปัจุบนันยขวนขวายปัจจุบันงอมืองอเทา้าทั้งๆที่มีหน่อเนื้อแห่งการที่จะประสบความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมมองเห็นหรือยงังนี่ไงกรรมเก่ากรรมเก่าเนี่ยมีผลไม่มีอะไรคือกรรมเก่านี่ไงปัจจุบันที่เราได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมาแล้วนี่ไงได้แล้วได้สภาพร่างกายชีวิตจิตใจมาแล้ว ได้คุณภาพชีวิตที่ดีมาแล้วนี่คือกรรมเก่าชัดๆอยู่แต่ถ้าลองประมาทว่าร้อยกรรมเก่าส่งผลอย่างเดียวฉันไม่ขวนขวายอะไรแล้ววิบัติไหมชีวิตนหะหมดเลยพังเลยแต่ถ้าขวนขวายในะปัจจุบันนี่ก็เรียกว่าสตาร์ทในปัจจุบันให้ชัดขวนขวายปัจจุบันเชื่อฉันทะในปัจจุบันเชื่อความเพียรในปัจจุบันเชื่อปัญญาในปัจจุบันขวนขวายศีลสมาธิปั ญ, ญญาให้เกิดขึ้นสามารถประสบความสําเร็จได้เนะข้าใจตางนี้นะกรรมเก่ามีอยู่ไม่ใช่ไม่มี แต่ไม่ใช่รอผลิตรอรับผลกรรมเก่าอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนพระโพธิสัตว์ท่านต้องมาข้นขวายใหม่ทุกอัตภาพนั่นเป็นการเพิ่มเติมใช่ไหมใช่ทุกอัตภาพต้องข้นขวายแม้ในชาติสุดท้ายสังเกตดูนะแม้ในชาติสุดท้ายทั้งๆบารมีเนี่บริบูรณ์หมดแล้วในชาติสุดท้ายทําไมต้องออกบวชทําไมต้องบำเพ็ญทุกการกิริยาหกปี ทำไมต้อง <ไป S 1> ข้นขวายเพื่อปฏิบัติจนกว่าจะได้ตัดสรูปุปหกปีนะหกปีนะนี่ไงนี่ปัจจุบันกรรมนี่การขนขวายในปัจจุบันพระโมคคัลลานะทํากรรมหนักมาใช่ไหมใช่ท่านขนขวายไหมขนขวายจนสามารถบรรลุได้แต่ถามว่ากรณีที่ท่านจะหนีหนีได้ไหมท่านหนีได้นะแต่ท่านต้องการให้เห็นอะไร ท่านต้องการให้เห็นว่านี่ไงกรรมถ้าจะหนีก็ได้ถ้านจะนิพพานหนีเมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจใช่ไหมด้วยด้วยความเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยท่านนิพพานเมื่อไหร่กรรมนั้นก็หมดกําลังแต่ท่านต้องการชี้เห็นเนี่ยกรรมเป็นแบบนี้นั้นถึงบอกว่าจริงๆการขวนขวายในปัจจุบันยมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแล้วก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าหากว่าแต่ถ้าหากว่าถ้าท่านไม่ขวนขวายสิเช่นพระโมคคัลลานะ ไม่ค้นควายไม่ประพฤติปฏิบัติปล่อยให้กรรมเก่าให้ผลเรียบร้อยเลยเสียหายเลยแต่เพราะการเป็นพระอรหันต์แล้วกรรมให้ผลยังไงก็ให้ผลแค่ร่างกายเพราะกระแสชีวิตท่านดับท่านก็หมดการเวียนว่ายตายเกิดกรรมนั้นก็หมดกำลังก็แค่นี้เองหลักการก็ตรงนี้ฉะนั้นที่ยอมเข้าใจถูกไม่ถูกแต่เพียงว่าถ้าไปเข้าใจเพียงแง่แค่ว่าทุกอย่างโยนให้อดีตผิดพลาดมาเป็นวิชาทิฏฐิเพราะเป็นการไม่เชื่อ เจตนากำในปัจจุบันไม่ควนขว้าในปัจจุบันพอจะมองเห็นนี่ยังจะเรื่งชัดเจนเลยอ้าวใครถามต่อยอีกหนึ่งอาจารย์เออดี เฮ้เฮ้ ทัูของก็มันมัจที่มีควยายามนมัียาที่มีสนะครับก็ทม้อัการบริหารจิตที่ทีแ่วเิอ่าสิ่ที่มีต่างมีแชร์านั้ะให้ไปทอย่างอื่นอย่างเงี้ยของพวกเราที่เป็นเทีนบ่ ค, คือคือที่จะต้องการสรุปประเด็นตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องการให้พวกเราได้ขับเน้นในเรื่องของคือให้เข้าใจในเรื่องของพรหมิหารกับสังขาวัตถุให้ชัดคือพรหมิหารเนี่ยเป็นธรรมะประจําใจเป็นธรรมะที่ควรมีไว้เป็นหลักใจเพื่อกํากับพฤติกรรมอันนั้นเรียกภาคหลักการส่วนภาคปฏิบัติการเนี่ยต้องใช้หลักสังขาวัตถกุก็คือธรรมะที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ยึดเหนี่ยวใจคนและก็ประสานหมู่ชนให้อยู่ในสามัคคีเป็นหลักการส่งเคราะห์ไอ้คำว่าเชื่อมประสานนี่สำคัญเวลารเราทำงานกันเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระหว่างเจ้านายกับลูกน้องก็ดีระหว่างในองค์กรแล้วก็ในส่วนรวมในโรงพยาบาลและในในหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะ ทำงานกันแบบลักษณะที่เชื่อมประสานกันไม่ค่อยได้โดยมากก็คือเราจะทำงานถ้าบอกว่าที่จะสามารถเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนน้ำกับน้ำนมเนี่ยโดยมากไม่ได้โดยไม่เข้ากันไม่ค่อยได้โดยมากจะเป็นได้แค่น้ำกับน้ำมัน่ อย่างภาษาอังกฤษที่เขาใช้กันโดยมากมา ก, ก็โดยมากก็ได้แค่คอมโรไม้จะพัฒนาไปถึงฮามานนี่เนี่ยโดยมากไม่ถึงโดยมากก็คือแต่ละคนก็จะมีอะไระมีจุดยืนของตนเองแล้วก็มีกรอบของตนเองแล้วก็มีโลกของตนเองที่ไม่ให้ใครเข้ามาก้าวกา่หรือมามาเข้ามามากระทบตัวเอง โดยมากก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้เป็นไปในลักษณะการไม่สามารถจะพัฒนาเข้าไปสู่การเชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้เพราะเราไม่มีหลักธรรมที่เป็นตัวยึดโยงให้มนุษย์เนี่ยเข้าไปเชื่อมประสานกันมันก็เลยอยู่กันแบบประเภทที่ต่างคนต่างอยู่แล้วก็คุณแค่ไหนได้ประโยชน์แค่ไหน คนจะมาก้าวก่ฉันเกินไ ป, ไ, ปไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงไหมคือ <At> ด้วยหลักการก็จะเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เมื่อเราไม่สามารถที่จะไปเชื่อมประสานกันได้จริงไม่เหมือนรถนะเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์รถเนี่ยถ้าต่างแต่ละตัวเนี่ยถ้าทำงานอยู่ในจุดของตนเองก็จริงแต่ถ้าไม่เชื่อมประสานส่งต่อกันให้ดีแล้วรถคันนั้นไปไม่ได้นะพัน แต่เพราะรถเนี่ยเครื่องยนต์กลไกเนี่ยแต่ละตัวเขาอยู่ในจุดอยู่ในตำแหน่งของตนเองก็จริงอยู่แต่เวลาเขาติดเครื่องแล้วก็เชื่อมประสานยึดโยงกันได้ทุกตัวก็สามารถนําองค์คาไปย่อกัรถคันนั้นให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างรอดและปลอดภัยและก็เวนไปด้วยดียดแม้ฉันใดหน่วยงานใดถ้าขาด การยึดเหนี่ยวการยึดเหนี่ยวใจบุคคลการประสานหมู่ชนให้เข้าไว้ในสามคัคคีถ้าไม่สามารถมีตัวเข้าไปเชื่อมประสานได้หน่วยงานนั้นสภาพสังคมนั้ น, น, นก็กเป็นไปได้ด้วยไม่ดีก็มีการขัดแข้งขัดขากันกระทบกระทั่งกันแล้วก็เอารัดเอาเปรียบกันไม่สมัครสมานสามคัคคีไม่กลมเกินกันก็อยู่กันเหมือนน้ำกับน้ำมันดังนี้ได้กล่าวก็ไม่ประสบความสาเร็จ ผู้บริหารที่ดีจะต้อ ง, องเก่งอย่องที่เรียกว่าเก่งทางด้านการใช้สังขาวัตถุสังขาวัตถุ ก, ก็คือหลักการเชื่อมประสานหลักการสง่งเคราะห์เนี่ยที่นี้ตัวเชื่อมประสานเนี่ยเอาอะไรเป็นตัวเชื่อมถ้าเราปล่อยให้สภาพจิตใจของเราเนี่ยที่เป็นไปกับโลภะตทสามโมหะเป็นไปกับตัณหามานาทิฏฐิเป็นไปกับกิเลส เป็นตัวเชื่อมไม่เป็นไปในฐานน่าเชื่อมประสานมันจะเป็นไปในลักษณะของการที่ว่าไม่สามารถกลมกลืนกันได้แต่การที่จะกลมกลืนเชื่อมโย ง, โยงเชื่อมประสานกันได้ต้องใช้หลักธรรมะ้ที่ใช้คําว่าพรหมวิหารหรือเมตตาที่เป็นต้นหลักการส่งเคาะเช่นเช่นนะเอามีวัตถุสิ่งของถ้ามีสิ่งของเวลาเราไปให้อันนี้เป็นตัวเชื่อมแล้วนะการให้เนี่ย การให้ในที่เป็นเรียกว่าการให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเสียสละการแบ่งปันการช่วยเหลือกันมีสิ่งให้สิ่งของตลอดถึงการให้ความรู้และกาแนะนำสั่งสอนเนี่ยนการให้อย่างนี้เป็นตัวเชื่อมแต่ถามว่าให้ตามรูปแบบอย่างเดียวแต่สภาพจิตใจไม่เป็นไปกับความรักความปรารถนาดีเอื้อทอนได้ไหมไม่ได้เพราะไอ้เชื่อมจริงๆมันคือตัวตัวสภาพ คุณธรรมหรือเมตตาเป็นต้นเป็นตัวเชื่อมให้ตัวเมตตาที่มีความรักปรารถนาดีเอื้อทอนตัวกรุณาที่มีความสงสารคิดจะช่วยพ้นทุกข์ตัวมุทิตาคือมีความพรอยยินดีเมื่อคนอื่นประสบความสําเร็จเนี่ยงั้นพอพูดถึงเรื่องสังเกตดูนะว่าถ้ามุทิตาตูมเนี่ยมุทิตาเขาไปกําจัดอะไรคนที่ขาดมุทิตาเพราะคนที่มีอะไรมีกิเลสชนิดไหนมีลิสยา ลริสยาคืออะไรลิสยาเป็นกิเลสกลุ่มไหนกลุ่มเดียวกับโทสะอริสยาแปลว่าอะไรเห็นคนอื่นได้ดีแล้วทนไม่ได้ทนไม่ได้มันทุกข์ใจไม่สบายใจเดือดร้อนใจอริสยามาคู่กับอะไรมาคู่กับตนีใช่ไหมตนีห่วงอ่ะห่วงอะไรหวงทิน หวงที่อยู่ใช่ไหมห่วงตำบลห่วงอำเภอห่วงจังหวัดห่วงประเทศต้องพวกชั้นได้คนอื่นไม่ได้ที่ตรงเนี้นี่ห่วงนี่ไงเป็นเห็นความขัดแย้งไหมล่ะเชื่อมประสานไม่ได้ในตันีกับลิทยาเนี่ยประการที่สองห่วงอะไรหวงภาษาเขาเรียกว่ากุลละกุลละก็ห่วงพวกพ้อง ภาษาปัจจุบันก็คือเล่นพักเล่นพวกนี่ไงตัหนีตัวเนี้ยหวงเล่นพักเล่นพวกพอมองเห็นก้อนนี้เล่นพักเล่นพวงเชื่อยงภาสานกันได้ไหมไม่ได้วิบัติเลยเนี่ยนะถ้าพวกชั้นได้คนอื่นไม่ได้ประการที่สามลาภมัชยริยะห่วงอะไรหวงผลประโยชน์ผลประโยชน์นี้ต้องพวกชั้นกลุ่มชั้นเท่านั้นกลุ่มอื่นไม่ได้นี่เป็นต้น แล้วอะไรอีกวันน้ำวัชริยะหวงเกียรติคุณแปลว่าอะไรเกียรติคุณก็คือคํายกย่องสรรเสริญฉันได้เกียรติยกย่องได้คนอื่นไม่ทางประการต่อมาก็คือธรรมมวัชริยะห่วงผลิตผลของปัญญาคือลิขิตทางปัญญาเนี่เยเองเนี่ยหวงเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยนี่เป็นเหตุแห่งการขัดแย้งเลย ท้าวสกาถามพระพุทธเจ้าบอกมนุษย์เทวดาหน้าครุฑคนทันหมดเลยนะมนุษย์ก็ได้เทวดาก็ได้มนุษย์เทวดาพวกหน้าพวกครุฑพวกคนทันทั้งหลายเหล่านี้ยทําไมอยากจะสามัคคีกันอยากจะกลมกลืนกันอยากจะสมานฉันท์กันอยากจะรักกันอยากจปรารถนาดีต่อกันเนี่ยอยากจะสามัคคีกันแต่ทําไมทําไม่สําเร็จ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้มนุษย์เนี่ยไม่ประสบความสําเร็จทั้งด้านสมานฉันสามคัคคีปองดองหรือว่ายึดเหนี่ยวน้ําใจประสานกันไว้ในสามัคคีสงเคราะห์กันไม่ได้จริงๆอะไรเป็นปัจจัยอะไรเป็นเหตุพเจ้าว่ า, วาลิษยาและความตันหนีเมือม่อเมื่อหกสิบกว่าปีที่แล้วลองกันนานานิดเดียวอเมริกาเนี่ยเขาส่งนักจิวยามาใน ป, ประเทศไทยมาทําการสํารวจ คนไทยนะอยากจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยมีโทนนิสัยอย่างไงในโบรนาณสมัยนั้นก็เอาเรื่องอะไรมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาเอาไปสำรวจด้วยนะเขาไปทาวิจัยด้วยเรื่องแม่ปะบู่ทองละคร อ, อยู่เรื่องหนึ่งละครคนไทยแล้วก็เอาเรื่องสำรวจคนไทยเขาสรุปประเด็นมาอะไรรู้ไหมคนไทยมีนิสัยชอบลิษยาอ่ะก็ได้ละลิษยาเห็นคนอื่นได้ดีทนไหมเออลองมาดูประวัติศาสตร์ซิ ลิศยาเล่นเงินพังมาตลอดเนี่ยพอพอรู้อย่างนี้ปุ๊บแล้วเขาทายัางไง ร, รู้ไหมเวลาเขามาตั้งบริษทัทในประเทศไทยเขาจะเอาประโยชน์อะไรจากลิศยาของคนไทยเขาก็ให้คนไทยไปทาําง า, ง า, งางนกันอยู่สองกลุ่มให้มันแข่งกันเอผลประโยชน์ตกกับใครก็ตกกับเขานี่ไงพอรู้จักกิเลสรู้จักความลิศยาของคนไทยก็เอาประโยชน์ซะเลยคุณจะแตกกันเรื่องคุณแต่ผลประโยชน์ก็ตกกับเขา อยู่ในบริษัทนี้จะแข่งกันแทบเป็นแทบตายแทบไม่ไว้หน้ากันจะฟ้องร้องกันขนาดไหนก็แล้วแต่ผลสําเร็จอยู่กับเขาคนก็วิบัติกันไปเขาก็ได้เงินไปได้ทรัพย์ไปได้ผลประโยชน์ไปได้ท ร, รัพยากรไปเขาจยังนี่ไงเขามาวิจัยแบบนี้นี่แหละคือความเสียหายเรามองเห็นไหมว่าเนี่ยลิษยามและความตันหิมเป็นเหตุให้มนุษย์สามัคคีกันไม่ได้เพราะอะไรมุทิตากันไม่ได้ เมตากันไม่ได้ก็พยาบาทกันใช่ไหมแล้วก็คิดเบียดเบียนกันเพราะมันการุณามันไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเมตตากําจัดอะไรกําจัดพยาบาทความโกรธกรุณากาจัดอะไรกาจัดวิหิงสาความคิดเบียดเบียนมุทิตากําจัดอะไรกําจัดลิศยาอ้าวเ่เนี้ย ถ้าเรามีความโกรธเกิดขึ้นพยาบาทเกิดขึ้นเมตตาแล้วว่ถูกกาจัดใช่ไหมล่ะมันตรงกันข้ามนี่ถ้าเกิดความลิษยาขออภัยถ้าเกิดความคิดเบียดเบียนเขาคิดประทุสลายเขาตอนนั้นกรุณาก็ถูกกาจัดไปถ้าเกิดลิษยาเห็นใครได้ดีแล้วทนไม่ได้ตอนนั้นมุติตาก็ถูกกาจัดไปถ้าเป็นคนมีอคติมีฉันทาคติโทสาคติลำเอียงเพราะรักลำเอีงเพราะโกรธลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะ หลงก็ขาดอุเบกขาเห็นไหมเสียความเป็นกลางเพราะมีอคติอย่างนี้เป็นตน้ตนเห็นไหมเพราะมิหารที่ไม่สามารถเดินในใจเราได้ไเราก็เลยมีสังหาวัตถุก็ถูกขับเคลื่อนออกมาไม่ได้เมื่อสังหาวัตถุถูกขับเคลื่อนออกมาไม่ไ ด, ไมได้มนุษย์ก็เชื่อมประสานกลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้ก็เลยอยู่กันเหมือนน้ำกับน้ำมัน ไม่อยู่กันเหมือนน้ากับน้ํานมเลิ่มเห็นนี่ยังน้ำกับน้ํานมเข้ากันได้ไหมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันได้แต่น้ํากับน้ํามันอยู่ด้วยกันก็รักกันไม่ได้สามีกับภรรยานี่อยู่ด้วยกันเนี่ยโดยมากเป็นน้ํากับน้ํานมหรือน้ํากับน้ำมันกลมเืินแยกกันออกไหมเป็นเนื้อเดียวกันเลยไหมรักกันสามัคคีกันปองดองกันเอื้ออาทรกัน ไม่น้าเนี่ยคิ้วขมวดใส่กันไม่ถลึงตา ม, มองกันเป็นแน่ไหมอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องที่การให้การเผืแผ่แบ่งปันตรงนี้ก็ให้ด้วยกติเาตาก็ได้ะเมื่อกี้ยอมถามใช่ไหมเอออามาเลยตอบยาวเลยดิตอบยาวเลยเริ่มเห็นไหอยังเไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราสามารถที่ไปบริหารจัดการตรงนี้ได้ แล้วก็ฝึ ก, กเกิดขึ้นจากตัวเราเองได้เราจะเป็นผู้บริหารที่ดีสามารถแก้ไของค์กรให้เชื่อมประสานกลมกลืนเป็นปน้ําหนึ่งใจเดียวกันได้อยู่กันแบบสามัคคีริงๆเด่ประการต่อมาปิยวาจาเนะี่ยคําว่าปิยวาจาเนะี่ยอีกคำหนึ่งเขาเรียกว่าเปยวชชะวาจาเป็นที่รักคําว่าวาจาเป็นที่รักเขาเรียกว่าวาจาที่ดูดดื่มน้ําใจวาจาที่ทราบซึ้งใจนะ กล่าวคําสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักนะับถือเป็นต้นคือจริงๆเป็นคนที่พูดเชื่อมประสานพูดแล้วพูดด้วยใจรักพูดด้วยเมตายอมมีไหมคํานี้มีไหมเป็นผู้บริหารมีคํานี้ั้ยมีเปยวัชชะนะคือมีวาจาที่ดูดดื่มน้ำใจเวลาพูดแล้ว ลูกน้องก็ดีหรือว่าคนร่วมงานก็ดีมีกําลังใจเลยพูดทีอะไรนี้มี ม, มีคํานี้ไหมหรือพูดทีไรเนี่ยที่เขาพูดแล้วเขาหมดกําลังใจเลยเคยไห ม, เ ค, มเคยใช้วาจาเราเนี่ยมันทําได้สองอย่างนะทําเป็นห อ, อกก็ได้ห อ, อกไปทิ่มเคยไหมเคยใช้วาจาเป็นห อ, อกทิ่มคนอื่นเคยไหมทิ่มให้มันเจ็บหน่อยพูดอย่างเงี้ยมันถึงจะเจ็บ อย่างเนี้เขาเรียกว่าไม่มีปียวาจาใช้วาจาเป็นหออเทวทิมเขาอยู่เลยทิมทิมทมพูดบางทียอมผู้หญิงก็เป็นนะพูดยังไงเขาให้มันรู้สึกให้เขาเจ็บปวดเคยเป็นไหมเคยไม่เคยใน ต, ตรงเนี้นะไม่มีปียวาจาพูดพ ด, ด้วยเมตตากับพูดพ ด, ด้วยก ร, รุณาต่างกันตรงไห น, นอ้าต่างตรงไห น, น พูดด้วยเมตตากับพูดด้วยกรุณาต่างกันตรงไหนยอมเวลาพูดกับสามีนี่พูดด้วยเมตตาหรือพูดด้วยกรุณาฮะฮะพูดด้วยเมตตาหรือพูดด้วยกรุณาพูดกับสามีไม่เคยเคยพูดด้วยเมตตาไหมพูดด้วยเมตตาพูดยากไหม ปิยาวาจาที่พูดด้วยเมตตาเนี่ยพูดยากไหมอ่ะพูดเวลาไหนถ้าพูดด้วยเมตตาเวลาปกติกตใช่ไหมเวลาเขามีปัญหา ป, ประสบความทุกข์เดือดร้อนมาตอนนั้นต้องพูดด้วยพูดยังไงพูดด้วยกรุณาไปทําอะไรมามานั่งหน้าเศร้าเนี่ยอ๋อมีปัญหาที่ทํา ง, งานไปทะเลาะกับเขามาอีกแล้วสิอันนี้อย่างนี้พูดด้วยกรุ่นนาป่ะ หรือพูดยังไงพูดยังไงเห็นใจยอมเราพูดให้ฟังหน่อยทีเพื่อที่จะได้เป็นตัวอย่างให้ผู้บริหารก็ไปพูดกับลูกน้องบ้างเลยอ่าพูดยังไงพูดด้วยการณ์ว่าพูดยังไงดีเคยพูดไหมพูดด้วยการณา อาเดี๋ยวยอมตั้งใจฟังนะว่าพูดกรุณาพูดด้วยกรุณาพูดยังไงได้เป็นตัวอย่างอ้พูดอย่างนี้เลยถ้าเขาบอกว่าไม่อยากเล่าถ้าจะว่าไง อกไประมาณชอบบอกไปไกลๆหน่อยได้ไหมลำคานถ้าเขาพูดเ่งนี้ทำถ้าเขาถ้าเขาบอกว่าไปไกลๆหน่อยไม่ลำคานนี่กำลังโกรธอยู่รู้ไหมเจะจะบอกว่าจะโคดอนอ๋อ พูดด้วยกรูนาก็คือพูดด้วยความเห็นใจว่าต้องการจะช่วยเขาพ้นจากปัญหาแระอุปุศกษและความทุกข์ที่เขากำลังเจอใช่ไหมตรงนี้บางทีผู้บริหารก็ขาะบางทีเราเป็นคนที่มีกำหนดนโยบายลงไปแล้วก็อยากจะให้มันประสบความสำเร็จ เขาทำงานจะมีปัญหาอุปสรรคยังไงไม่สนจะเอาเนื้องานเป็นหลักไม่ได้เห็นใจเขาไม่ได้ให้กําลังใจเคยเป็นไหมเคยถูกกระทําแบบนี้ไหมถามอย่งเคยไหมล่ะเคยถูกกระทําแบบนี้ไหมคือเขาไม่มีน้ําใจกับเราเลยมิไดสั่งสั่งสั่งสั่งสั่งเสร็จแล้วเขาก็ไปมาถึงก็มายี้แต่เรื่องงานเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเคยเจอไหมเคยเจอผู้บริหารอย่างนี้ไหม แบบนี้ควรทำไหมครับางทีเราติดเชื้อเข้ามาเนี่ยต้องระวังไอ้อเชื้อแบบนี้บางทีติดมาแล้วโอ้โหไปที่ไหน ล, ล, ลูกน้องก็คิดตลอดเวลานะเมื่อไหรจะไปเมื่อไหรจะย้ายอะไรเขาคิดเ น, นี่ยนแล้วก็เวลาไปนะโอ้โหนินทาผู้บริหารจะเป็นแท้มีคนคนหนึ่งเนี่ยบริหารอยู่ในกรมกรเพราะเกษียณในเยุโตมเนี่ยนะ พอกลับมาแม้คนทำสวยนยังไม่ทักเลยตั้งแต่นั้นไม่กล้าไปกลมกลองอีกเลยกขนาดนั้นเลยเนี่เพราะอะไรรู้ไ้เพราะเป็นผู้บริหารที่ขาดสังงหาวัตถุไม่เป็นที่รักไอ้ตรงนี้สำคัญมาไม่ใช่เรื่องเงินไม่ใช่เรื่องอานาจแะมันเรื่องการบริหารจัดการมันเรื่องการที่เข้าไปนั่งอยู่ในใจคนใช่เนี่ ย, ยผู้บริหารที่ฉลาดที่สุดก็คือสามารถเข้าไปนั่งในใจเขาได้จริง เข้าไปนั่งในใจครับรับรู้ปัญหาก็ได้แล้วมีความรักความเอื้อทอนปรารถนาดีกับเขาจริงๆเวลามันไม่ใช่เรื่องเงินนะเป็นเรื่องความเข้าใจแก้ปัญหาให้กับเขาแล้วเมื่อเขามีทุกมาก็สามารถที่จะคุยปลอบประโลมให้กําลังใจเขาได้แปลว่าให้เขาเกิดความคําว่าวาจาดูดดื่มเนี่ยดูดดื่มน้ําใจหรือวาจาที่ซาบซึ้งใจโอ้โหนี่มีค่ามาก คำพูดที่ทราบสึ้ใจของหัวหน้าที่เห็นใจเขาปลอบประโลมเขาให้คําแนะนำแก่เขาให้วิธีการแก่เขาให้ข้อคิดแก่เขาโอ้เขามีกําลังใจใช่ไหมล่ะมีบริษัทหนึ่งเอามารู้จักเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาเป้าเอายอดเนี่ยเป็นตัวตั้งเอาผิดแล้ววิธีการแบบเนี้ยไม่ต้องเอาเปลาตัวยอดเป็นตัวตั้งแต่ว่า ทำอย่างไรให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจใช่ไหมหนึ่งให้เขาเกิดให้เขามีความเชื่อมั่นมีกำลังใจให้เขามีความแกล้วกล้าอาฐารพูดให้เขามีกาลังใจพูดให้เขามีความแกล้วกล้าอาฐานพูดให้เขามีความอดทนแข็งแรงตั้งมั่นและก็แนะนำให้เขาได้ปัญญาพอจุดประเด็นต่างๆหนึ่งจุดทั้งศรัทธาจุดทั้งเจตนาติดสองจุดทั้งปัญญา เขาได้ทั้งเจตนาที่ดีได้ทั้งปัญญาคือความรู้ความเข้าใจเนี่ยทําตรงเนี้ยเขาก็ทางานไอ้งานก็ได้ผลคนมันก็เป็นสุขใช่ไหมเป้าหมายไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วเมื่อคนเนี่ยถูกให้ข้อมูลจนมนุษย์นั้นเน่ยจนกลายเป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพมีความสามารถขึ้นมาแล้วให้ทําอะไรก็ได้มนุษย์แต่โดยมากเนี่ยเราไม่ค่อยให้ความสำคัญของบุคลากรของมนุษย์ใช่ไหมเพราะมนุษย์เนี่ย มันเหมือนอย่างนี้ในภาวะปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการแปลกแยกสามด้านหนึ่งแปลกแยกจากธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมนี่นะมนุษย์ปัจจุบันนี่นะฐานความสุขฐานแรกหายเกลี้ยงแล้วแปลกแยกจากธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมสองแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์แปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ประการที่สามแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตเอาละเสรีเนะี้ย การแรกก็คือแปลกแยกจากธรรมชาติสิ่งแวดล้อมถามว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเรามีความทุกข์หรือคนมีความทุกข์เขาไปหาความสุขจากอะไรได้ไปอยู่ดูต้นไม้ใบหญ้าภูเขาดอกไม้อะไรเงี้ยอยู่กับธรรมชาตินะเพราะมนุษย์ก็เป็นทำส่วนหนึ่งธรรมชาติมนุษย์ถ้ามนุษย์แปลกแยกจากธรรมชาติก็แปลว่าไปอยู่กับธรรมชาติไม่ได้ความสุขสายลมแสงแดดต้นไม้ใบหญ้าลำธารต้นไม้ ไปอยู่กับธรรมชาติไม่ได้ความสุขแล้วตอนนี้ตอนนี้มนุษย์ก็มาเนี่ยสร้างห้องแคบๆอยู่ในโลกเทคโนโลยีเนี่ยแปลว่ามนุษย์ฐานความสุขของมนุษย์คือธรรมชาติถูกแยกออกมาแล้วเราอยู่ในกรุงเทพก็จะเห็นเป็นห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเหมือนกับกล่องไม่ไมขีดน่ยดังนี้นมนุษย์ออกจากธรรมชาติแล้วยังมาสร้างโลกของมนุษย์ทับซ้อนอยู่บนโลกธรรมชาติด้วย แล้วก็มีพ ล, พลโมโนภาวายอีกมากมายก็ว่ากันไปนี่แปลว่าฐานความสุขของมนุษย์หายไปหนึ่งฐานสองแปลกแยกจากเพื่อนมนุษย์ตอนนี้เราอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับเพื่อนไม่มีความสุขไม่มีความวาแปลกแยกกันแล้วเอามาไปเจอนักเรียนนะนักเรียนระดับมัธยมเนี่ยเอามาไปจัดการสอบให้เ้าสอบทำมาศึกษาเขามานั่งด้วยกันนะเพื่อนๆก็ น, น, นั่งด้วยกันแต่เขาหันหลังให้กัน แล้วก็ก็อยู่กับเทคโนโลยีอยู่กับโทรศัพท์แปลว่าอะไรเขาไม่มีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนกลับไปบ้านก็ไม่มีความสุขกับอยู่กับพ่อกับแม่ไปหาสามีภรรยาก็ไม่มีความสุขกับการอยู่กับสามีภรรยาเขาแปลกแยกกันขัดแย้งกันไม่เชื่อมภาสานไม่กลมกลืนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันไม่มีความสุขเขาจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีให้ตัวเทคโนโลยีเป็นตัว่าน ฐานความสุขก็เสียไ ป, ไปฐานที่สองเสียแล้วประการที่สามแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตเวลาเขาทำงานเขาไม่มีความสุขเขาไม่ได้มีจุดหมายการทำงานเนี่ยจุดหมายของเขาผิดพลาดแล้วยกตัวอย่างเช่นยอมถ้าบองว่ากวาดบ้านเป็นเหตุอะไรเป็นผลความสะอาดเป็นผลใช่ไหม การเรียนหนังสือการดูหนังสือนี่เป็นเหตุอะไรเป็นผลความรู้ความเข้าใจแต่ทกวันนี้ยถ้าถามว่าหนูขยันอ่านหนังสือนะเมื่อหนูอ่านหนังสือนี้จบเล่มเดี๋ยวพ่อแม่จะพาไปเที่ยวทะเลสมมติไอเจ้านี้มันก็เพี้ยนมาตั้งแต่เด็กนีนึกว่าการอ่านหนังสือเป็นเหตุการได้ไปเที่ยวทะเลเป็นผล เหมือนพวกเราไงการทํางานเป็นเหตุอะไรเป็นผลเงินเดือนไงเห็นไหมมันเพี้ยนแล้วเนี่ยเออทํางานมันไม่ใช่เกี่ยวกับเงินนะการทํางานเป็นเหตุเอาเป็นหมอรักษาคนไข้เนี่ยเป็นเหตุอะไรเป็นผลคุณภาพชีวิตโรคภัยไข้เจ็บของคนไข้ก็หายนั่นเป็นผลแต่การทํางานคือการรักษาคนไข้ดูแลตรวจ ทำให้คุณภาพชีวิตของคนดีๆเนี่ยเหตุกับผลมันตรงกันอย่างนี้แต่เงินเดือนเนี่ยเขาเรียกผลผลได้มันเป็นกติกาเป็นกฎสมมุติสมมุติมันมาจากคาว่าสังบวกมติสังก็แปลร่วมกันมติแปลข้อตกลงมันเป็นข้อตกลงร่วมกันตรงเนี้ยแต่มันไม่ใช่เป็นผลไม่ใช่เป็นผลของการทํางานใช่ะไหมล่ะทีนี้พอเรื่องเหตุผลมันเพี้ยนนึกว่าเพี้ยนกันใหญ่เลยตรงเนี้ย นี่ยก็แปลกแยกมันก็เลยไม่มีความสุ ข, วสขเวลาทํางานแทนที่จะมีความสุขกับกิจกรรมของชีวิตนั้นก็ไปรอความสุขจากผลโดยอ้อมเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกเมื่อไหร่จะได้ชื่อเสียงเมื่อไหร่จะได้รับการยอมรับนับถือเมื่อไหร่จะได้เลื่อนขัน้นมันไปพลอเลื่อนกันเลยแต่เนี้ยแทนที่จะมีความสุขใช่ไหมกับการดําเนินกิจกรรมของชีวิตนั้น โอ้ยได้ทักษะความรู้ความสามารถได้วิจัยโรคภัยไข้เจ็บทําให้คุณภาพของคนไข้ดีขึ้นชีวิตของคนดีขึ้นป้องกันยังไงโรคระบาดจะมายังไงวิจัยคน้นคว้ายังไงทําให้หน่วยงานและองค์กรนั้นมีคุณภาพมีศักยภาพโอ้มันได้ดีใหญ่เลยเพราะอะไรเพราะว่ารู้เหตุและผลไม่แปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตงานมันได้ผลผลเป็นสุขใช่ไหมเราเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้แปลกแยกหมดแล้วแล้วเสียสามฐานนะ หนึ่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแปลกแยกสองเพื่อนมนุษย์เราก็แปลกแยกเราไม่มีความสุขประการที่สามก็คือแปลกแยกจากกิจกรรมของชีวิตนี้หมดเลยแล้วมนุษย์เอาอะไรเป็นความสุขอะเทคโนโลยีบางสิ่งเสพบ้างเป็นสังคมบริโภคนิยมดูวัตถุนิยมไปใหญ่เลยเราวัดกันตรงไหนใครได้วัตถุเยอะๆประสบความสาเร็จใช่ไหม ใครหาวัตถุได้มากประสบความสําเร็จมากก็เลยไปวัดกันตรงนั้นเลยตอนนี้เอาแล้วสิตอนนี้ใครได้เงินเดือนมากใครได้วัตถุมากใครก็ได้ขึ้นข้างเงินเดือนได้ขั้นมากอใครมีไเหล็กที่วิ่งได้กี่ทันเอาแล้วไปวัดกันตรงนั้นแหละตอนนี้โอ้โหตอนนี้เต็มไปหมดเลยตอนนี้พอมองเห็นนี่ไงนี่เสียฐานไอ้มึงที่จะมาพูดเรื่องอะไร เอามามาจากประเด็นยมถามเรื่องอะไร เ, เรื่องอะไรนะสั่งกะหาว่าถูกแม่ยมกับลืมประการต่อมาคืออัฏฐจริยาอัฏฐจริยาเนี่ยก็แปลว่าการประพฤติประโยชน์ขนขวายช่วยเหลือกิจการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนี่ยนะตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรมก็ว่ากันไป น, นี่เขาเรียกว่าอัฏถจริยาขนขวายประโยชน์ ขวนขวายด้วยเมตตาอย่างไงด้วยกรุณาด้วนยมุทิตายอมไปลงดีเทลรายละเอียดเองเดวนแต่มันต้องเจาะเอาไปใช้ได้จริงนี่ภาคปฏิบัติการส่วนข้อสุดท้ายสำคัญที่สุดก็เรียกสมานัตต า, ตาเขาแปลว่าความมีตนเสมอสมานะบกนอกตายทาตนเสมอต้นเสมอปลายยอมทาเปเนื้ปฏิบัติสมามเสม อ, มสมอกันในชนทั้งหลายแล้วก็เสมอในสุขเสมอในทุกข์ก็คือ ร่วมกันรับรู้ร่วมกันแก้ไขร่วมสุขร่วมทุกข์สับเนี่ยมีทุกข์เข้ามามีสุขเข้ามาในชีวิตก็ร่วมกันรับรู้ร่วมกันแก้ไขจัดแจงตลอดถึงวางตนใ้เหมาะสมก่ฐานะต่อภาวะต่อเหตุการณ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามธรรมะในกรณีนั้นๆคำว่าวางตนเหมาะสมที่สาคัญนะ ยอมไปอยู่ในสถานการณ์ใดๆในกรณีใดๆในบุคคลใดๆในเรื่องใดๆก็สามารถวางตนให้เหมาะสมต่อเรื่องนั้นๆต่อกรณีนั้นๆต่อบุคคลนั้นๆเนี่ยตรงนี้สําคัญที่สุดคําว่าสมานัตตาเสมอต้นเสมอปลายเสมอในสุขเสมอในทุกข์ก็คือร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมแก้ไขแล้วก็ไม่เลือกที่รักไม่พักที่ชังเป็นหัวหน้านี่สําคัญนะ ถ้าเลือกที่รักผักที่ชังเนี่ยเสียเลยใช่ไหมเสียความเป็นหัวหน้าการเป็นหัวหน้าโอ้ใ้จะหมดเวลาแล้วเหลือเวลาอีกประมาณส0มสิบนทียอมให้ถามปัญหาดีกว่ายมถามเลยอยากถามอะไรก็ถามเชิญเดี๋ยวจะหมดเวลาว่าจะเข้าอีกประเด็นหนึ่งไม่ได้แล้วเชิญยังไง มีความเข้ใจนะครับผู้ศาสนาสอนให้ิพเรียกคำอย่างมีเหตุผลแน่นอนแต่ว่าในในอดุษย์ในกสัวนียว่าเรายังชื่ออืติงนานาี้ทิพย์กสัวรโดยคนามเนาอในในทางอความจริของความไม่จงของไม่เนี่ยจะจะมี หมายถึงเรื่องใ น, นล็อกสวรรค์ก็คืออย่างนี้ในเรื่องของความเชื่อความเห็นแล้วก็ความจริงหรืความรู้แยกสามประเด็นนึงในพุทธศาสนา คขามีคำว่าศรัทธาเนี่ยคำว่าตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อมั่นปัญญาตัสรู้ของพระตถาคตให้สังเกตดูนะคำนี้เชื่อมั่นปัญญาถ้าความเชื่อเนี่ยอย่างเดียวที่ไม่แมทหรือประชุมลงกับปัญญาความเชื่อนั้นเนี่ยยังยังต้องฟังหัวไว แต่ความเชื่อที่จะสามารถมั่นคงไม่หวั่นไหวที่เรียกว่าเป็นอจระศรัทธาเป็นความเชื่อที่ยังรากลึกลงสู่ปัญญาคือสามารถก็ไปเห็นความจริงในพุทธศาสนาเนี่ยสอนในเรื่องของพบภูมิไว้ไหมสอนมันเป็นความจริงใช่ไหมใช่เป็นความจริงเช่นสอนเรื่องสามสิบเอ็ดภูมิสามสิบเอ็ดภพเช่นสอนในเรื่องของ สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายนี่เขเรียกว่าอภัยภูมิสี่อภัยภูมิสี่แล้วก็มนุษย์หนึ่งแล้วก็สวรรค์อีกหกชั้นาจารตมหาราชกาตาวติงสายามาดุสิตานิมานอรดีปรารณีมิสวัสดีหกหกแล้วก็รูปพระมอีกสิบหกชั้นนะอารูปประมอีกสี่อสัญญาสัตตาอีกรวมเบ็ดเสร็จสามสิบเอ็ดภูมิ สอนเรื่องจักรวาลที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้นะพุทธเจ้าสอนเพราะความเชื่อหรือด้วยการด้วยปัญญาที่เข้าไปเห็นด้วยปัญญาที่เข้าไปเห็นว่าสัตว์เหล่านี้มีอยู่สังสารวัตรนี่มีอยู่การเวียนว่ายตายเกิดที่มีอยู่ทีนี้เวลาพระพุทธเจ้าจะพูดหรือจะสอนในเรื่องนี้จะคุยในเรื่องนี้เช่นถ้าจะสอนบอกเรื่องการละลึกชาติพระเจ้าก็จะถามบอกว่าถ้า มกคุยกับคนที่ระลึกชาติไม่ได้แล้วมานั่งคุยกันอีกคนหนึ่งระลึกได้อีกคนหนึ่งร ะ, ะลึกไม่ได้เนี่ยไม่สนุกไม่น่าชื่นใจกันทั้งคู่เลยคุยกันก็ขัดแยง้งยกขอยามีอยู่ครั้งหนึ่งพระโมคคารนะเดินลงจากเขาที่ญกูดพระโมคคารนะท่านเห็นเปรตลอยอยู่กลางอากาศ แต่พระที่ตามมาไม่เห็นท่านก็แค่ยิ้มยิ้มแต่ท่านไม่พูดไปพูดกับคนไม่เห็นมันมีปัญหามันเยอะแต่พอท่านมาต่อนหน้าพุทธเจ้าแล้วท่านก็เลยปราลบเรื่องนี้ขึ้นพพุทธเจ้าก็แยบ้บอดพรพุทธเจ้าก็บอกว่าตาถาคต้็เห็นเพราะต่างคนต่างเห็น่าคุยกันแล้วเป็นไงมันชัดนี่ยอย่างลักษณะเนี้ยหลักการพืศาสนาก็จะสอนหรือแนะนา ให้ฝึกเพื่อจะเข้าไปเห็นเมื่อเห็นแล้วคุยกันนะแต่ถ้าอีกถ้ามันนั่งอีกคนหนึ่งเห็นอีกคนหนึ่งไม่เห็นเวลาคุยกันจะเทียงกันตายเลยนี่ไงนี่นี่ให้เข้าใจว่านั้นถ้าความเชื่อเนี่ยพระเจ้าก็ให้พัฒนาจากความเชื่อแล้วก็เข้าสู่ปัญญาเมื่อมีปัญญารู้ความจริงแล้วต้องการอยากจะเห็นอย่างนั้นจริงๆเช่นอยากจะต้องการอยากจะเห็นออาใภูมมเห็นสัตว์เวียนว่ายตายเกิดฝึกไหม ฝึกสมาธิระดับปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานจดุตฌานอรูปฌานฝึกอภิญญาประเภทนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อได้แล้วปุ๊บนั่งคุยกันได้ น, ไดนี้เป็นต้นต้องออกนะฉะนั้นในทางด้านของคําสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องความเชื่อที่เป็นตถาคตโพธิสัตย์เป็นยังไงเชื่อมั่นปัญญาตรัสรู้ว่าตถาคต กรรมศรัทธาวิปากศรัทธาเป็นต้นเนี่ยนะเชื่อเรื่องกรรมเรื่องอะไรก็ว่ากันไปตามลำดับแล้วก็ถ้าความเห็นเรื่องความเห็นถ้าบอกถึงเรื่องความเห็นทัศนคติมุมมองอะไรก็ว่ากันไปส่วนถ้าเรื่องของความรู้ความจริงเนี่ยใครจะเห็นยังไงความจริงก็เป็นอย่างนั้นที่จะตอบยอมตรงนี้ก็คือว่าเรื่องถามว่าเรื่อ ง, องพบชาติเรื่องการเวีนว่ายตายเกิดพระเจ้าสอนไหมสอนแล้วก็ สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงไหมเอา้าไม่มีได้ยังไงที่เราชัดๆก็คือพวกอบรรยายศาตว์เราก็เห็นกันั้งเยอะสัตว์ประหลาดแล้วในคำสอนอย่างยกตัวอย่างนะเช่นพระเจ้าสอนเรื่องชมพูทวีปในะโลกนี้ทั้งใบเนี่ยอุตรกุรุทวีปบุพาวิเทหะทวีปอัปราคโอยานะทวีปใช้คาว่าโอ้โหจักรวาลนี่มีเป็นแสนโกดจักรวาลหมูสัตว์ หาประมา ณ, มาณไม่ได้ยุ่งเลยตอนนี้นี่ไหมเนี่ยแต่ถามว่าจริงๆในพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้แต่ว่าพอพูดอย่างนี้ไปคนที่ไม่เห็นเหนื่อยก็ตายเลยตอนนี้แต่ในหลักการพุทธศาสตร์หนาสอนว่าถ้าคุณไม่เชื่ออันดับแรกเนี่ยคุณเชื่อไหมว่ามีวิธีการที่จะฝึกพัฒนาศีลพัฒนาสมาธิโดยเฉพาะพัฒนาปัญญาปัญญามีหลายระดับสามารถจะพัฒนาปัญญาให้เข้าไปเห็น อ้าวบอกว่า<ต>ถ้าปฏิเสธตูมนี่แปลว่าไม่ใช่นักทดลองแล้วถ้าอยากจะเป็นนักทดลองพระเจ้า ก, ก็บอกหลักวิธีการให้เข้าไปเห็นหลักการพุทธศาสนาตรงนี้แหละที่น่าชื่นใจน่าชื่นใจก็ตรงที่ว่าเป็นคําสอนที่พิสูจน์ให้คนที่ไม่เชื่อดีให้มาพิสูจน์และลงมือปฏิบัติเพื่อจะได้ให้ ให้เข้าถึงตรงนั้นอันนี้หลักการอย่างนี้ไม่รู้ว่ามาตอบตรงประเด็นไหมมีอะไรตกหล่นอ่าเชิญคนท่านต่อไปอ่าเชิญผมรังสรรค์บชานะครับจะขอถาม พระคุณท่านนะครับคือสมัยสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่มีการแตกแยกของสงฆ์นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนที่ท่า น, านจะนิพพานเนี่ยท่านได้สั่งพระอานนท์ว่าไม่ต้องตั้งใครมาเป็นพระศ า, าสดาแทนให้ใช้ให้ใช้ตำลา พระวินัยครับแทนแทนพระองค์เพราะพระองค์เนี่ยท่านทราบว่าพอห่างไปเนี่ยจะเกิดการแตกแยกนะครับคือตอนนี้เนี่ยมันตอนนี้ของพุทธเนี่ยมีสองฝ่ายมหายานหินยานแล้วตอนนี้มีอีกอันหนึ่งพุทธวจะนะขึ้นมาอีกครับ <c oughs> จะขอถามพระคุณท่านครับ ถามว่าถามว่าอะไรถามว่าถามว่าเอคุณท่านคิดว่าเห็นแย้งไหมหรื อ, อยังไงครับอธิบายเออคืออย่างนี้นะแมปัญหาที่โยมถามมาก็เป็นเรื่องที่ในสมัยขังพุทธกาลพุทธเจ้กาก่อนที่จะปรินพพาน พระเจ้าตราัสบอกดูก่อนนะนนท์ทำและ ว, วินัยที่พระตถามคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและ ว, วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราทำและ ว, วินัยจะเป็นศาสดาของเธอเมื่อการล่วงไปแห่งเราใช่ไหมเรื่องเนี้ยหลังตอนที่พระเจ้าลปรินิพพานใหม่ๆตอนนั้นวัสกาลาพราหมณ์เป็นอมาตะของพระเจ้าอาชาตสตรูตอนนั้นปกครองกรุงราชคลืค่ ท, ท but, ่านก็ออกว่าราชกิจนี่แหละก็ไปเห็นเข้าไปหาพระนรนเดินผ no? ่านวัดก็เข้าไปไหว้พระนรนที่วัดเวรวุนเนี่ยเข้าไปถึงก th ็ไปกราบท่านพระนรนบอกว่าข้าแต่ท่านพระนรนผู้เจริญพระบรมศาสดาปรินิพานแล้วเนี่ยพระบรมศาสดาปรินิพานแล้วเนี่ยแล้วพระศาสดาตั้งใครเป็นศาสดาตั้งใครพระนรนออกไม่ได้ตั้งเอ้าแล้วท่านอยู่กันยังไงเนี่ยอยู่อย่างคนไม่มีหัว อยู่ยังไม่มีผู้ปกครองอยู่ไม่ยังไม่มีคนหัวหน้าไม่มีที่อ้างอิงจะเดี่ยวยัยงไงพระนวนก็เลยต้องบอกว่าไม่ใช่เราไม่มีเรามีธรรมวินยัยเป็นตัวแทนเป็นศาสดาอธรรมวินัยก็คืออะไรคำสอนพระเจ้าเนี่ยแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันพระเจ้าปฏิญิาพันเพียงหนึ่งเดียวแต่มีธรรมวินัยแปดหื่นสี่พันพระธระ 8, รธมขันเนี่ยก็เหมือนกับพระทเจ้าแปดหมื่นสี่พันองค์พระธรรมกิจของศาสดา แทนพระพุทธเจ้าฉะนั้นพวกเราไม่ใช่ไม้ว้าพวกเราไม่ใช่ว้าเวพวกเราไม่ใช่อยู่อย่างไม่มีหลักพวกเราไม่ใช่ไม่อยู่อย่างไม่มีที่พึ่งพวกเราอยู่อย่างมีหลักมีที่พึ่งมีศาสดาอยู่แต่มีธรรมวินัยเป็นศาสดาเป็นหลักเป็นที่พึ่งเป็นที่อ้างอิ้งทุกวันทุกกึ่งสิบห้าค่ำเนี่ยเราก็เอาหลักเอาธรรมวินัยน่ยไปตรวจสอบไปทานถ้ามีใครประพฤติปฏิบัติผิดก็จะมีคนชี้ ชี้ว่าเนี่ยทาไม่ถูกเพื่อผิดยังไงแต่ชี้นั้นไม่ใช่ท่านบุญนั้นชี้แต่ธรรมวินัยเป็นผู้ชี้เป็นผู้บอกกล่าวท่านที่ถูกชี้ก็จะไม่โกรธพร้อมที่จะปฏิบัติตามเพราะถือว่าตอนนั้นพระบรมศาสดาเป็นผู้ชี้เป็นผู้บอกกล่าวเป็นผู้แนะนําอย่างนี้เป็นต้นทีนี้พอเป็นไปในลักษณะนี้พอมีพระธรรมวินัยเป็นหลักมีพระธรรมวินัยเป็นศาสดาพออยู่ต่อมา หลังพุทธปรินิพานห้าร้อยปีจนถึงหกเจ็ดแปดรอยปีก็เริ่มมีความเห็นต่างในเรื่องธรรมวินยัยเรื่องความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติทีนี้เห็นต่างเนี่ยก็คือว่าการเห็นต่างกันในเรื่องของข้อวินัยบ้างข้อหลักธรรมบ้างเมื่อเห็นต่างกันมาก็เลยมีการแยกที่ยอมพูดเมื่อสักครู่ที่บอกมหายานเนี่ยน จริงๆเนี่ยแทย้จริงทีแรกไม่มีคำว่ามหายานไม่มีคำว่าถินญยานไม่มีคำว่าเถระวาดไม่มีคำว่ามหายานอะไรไม่มีเลยแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นว่าการประพฤติตามหลักพระธรรมวินัยเนี่ยควรแก้ไขควรจะลดรอนควรจะตัดรอนไปตามสถานการณ์ตามที่ต่างๆพอเห็นอย่างนั้นก็เลยตัดรอนออกพ่าตัดรอนออกมาก็รวมพวกขึ้นมากลุ่มหนึ่งก็เลยตั้งกลุ่มคนเองขึ้นมา ก็เรียกตนเองว่ามหายานเลยไปเรียกกลุ่มที่ไม่แยกอะไรแหละกลุ่มเดิมๆนั่นแหละเรียกฮินายาน <c oughs> ทีนี้ทีแรกก็กลุ่มฮีนายานก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้าใจั้มเขาเอา้าเขามาเรียกหินายานก็ยอมรับไปพักหนึ่ง <c oughs> อ้าวพอมาปแปลเขามาฮินายานแปลว่าต่ําแปลว่าเหลวเฮ้ยไม่เอาไม่เอา <c oughs> กลุ่มนี้ก็เลยเรียกกลับไปใหม่ว่างั้นเรียกคุณเป็นเถระว่าเราก็สมอ้างยอมรับเป็นเถรวาาหลักการก็มีแค่นี้เองทีนี้ก็แยกออกมา พอแยะกออกมานี่กลุ่มเถรากลุ่มมหายานเนี่ยลัทธิของเขาก็คืออาจารยาียวาสก็คือลัทธิของเชื่อตามอาจารย์เช่นคําสอนว่าอย่างนี้แตอ่อาจารย์มาเห็นว่าควจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้แท้จริงเป็นอย่างนี้วิชัยตามไหนก็ไม่ได้เอาหลักเดิมก็ไว้เอาตามอาจารย์เขาก็เรียกว่าอาจารยาียวาสก็คือมหายานอันเดียวกัน แล้วต่อมาก็แยกขยายกันไปอีกเยอะไปจีนจากจีนไปที่เบตภูทานไล่ไปตามลำดับไปจนถึงไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มาที่ญี่ปุ่นจะมหายานเนี่ยในปัจจุบันก็แยกออกมาเป็นสองร้อยกว่านิกายก็เป็นเรื่องปกติเราจะมองถึงความเจริญของศาสนาก็ได้ ยิ่งแตกแยกมากก็ยิ่งเจริญนะได้เจ้าหมล่าเออจะมอง อ, อ, อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆหลักของเทรวาวะของเราเนี่ยมีหลักอยู่มีพระไตรปิฎกเป็นหลักอ้าออัตตกรถาดีกาเป็นหลักอ้นอของเราไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ไปตัดตอนไม่ได้เป็นลดถอนใดๆอย่างไรก็อย่างนั้นเราก็พยายามคงเดิมรักษาและปฏิบัติให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำทได้อย่างนี้เป็นต้นส่วนจะมาแตกแยกออกมาเป็น พุทธวจนะเป็นอะไรต่างๆนั่นก็ว่าไปใช่ไหมก็เราไม่ได้มีก็ไม่ได้ไปสะทกสะท้านหรือกระเทือนอะไรหรอกแต่เพียงว่าเป็นเรื่องปกติถ้าจะมีการแยกออกไปอย่างไรเนี่ยก็แยกไปแต่ว่าจริงๆหลักเดิมก็มีอยู่ที่อ้างอิงเดิมก็มีอยู่ก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรตรงนั้นไอ้เรื่องแยกเนี่ยแต่เพียงอย่างนี้ก็คือว่าเอามหายาณถามว่าแยกออกไปเป็นสองร้อยกว่านิกายในญี่ปุ่นเขาก็ทะเลาะกัน เหมือนถ้าถามที่เบตเนี่ยอง์ดะลายลามะถ้าไปถามเขาเป็นมหายาณ น, นะเขาบอกไม่ใช่เขาเป็นวัชรายาเอาเรยสิตอนนี้เห็นไหมมันก็เลยมีสามแล้วเขาถือตัวเองได้นะเขาบอกว่าอาทั้งหมดมีสามอย่างหนึ 1. 1> ่งเทระวาสสองมหายานสามวัชรายานนี่เขาถือเขาอย่างงี้นะเราไปคุยกับเข า, าเราต้องรู้จักเขาเขาบอกว่าเทรวาส ถือตามเขาเชื่อไหมว่าเถรวาทเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงคําสอนเลยพระเจ้าว่ายังไรก็อย่างนั้นชัดเลยใช่เถรวาทอย่างนั้นแต่เขาบอกว่าของเขากลุ่มมหายานเนี่ยเขายอมรับเถรวาทแต่เขายอมรับว่าอาจารย์ของเขาที่อธิบายสืบๆกันมาเนี่ยสามารถเข้าใจได้ชัดกว่าดีกว่าส่วนถ้าวัชรยานเขาบอกไหมวัชรยานเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย พระสักยามุนีเนี่ยสามาสำมุทเาเจ้าเนี่ยมาในร่างมนุษย์ฉะนั้นไม่สามารถสอนให้คนเข้าถึงธรรมะได้ต้องของเขาสิอันนี้ผู้ตามเขานะของเขาเนี่ยเช่นพระไวยโรจนพุทธะของเขามาในร่างของธรรมกายในร่างของที่เอออย่างนี้เอาสิของเขาถ้าจะให้สูงสุดจริงๆต้องวัชระยา น, นั้นก็เรื่องเทียงกันไม่มีอะไรเยอะประเด็นมันไม่ใช่ ดันั้นตรงนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เสียเราจะได้บอกอ๋อก็คือประเด็นเรื่องทิฐิถ้าเราบอกว่าเราต้องรู้จักถิราวาดของเราว่ารักษาเดิมแท้อย่างไรมาก็อย่างนั้นเราไม่ได้มีการไปเปลี่ยนแปลงแต่ใครจะปฏิบัติได้แค่ไหนอย่างไรนั้นว่าแต่เราก็รักษารูปแบบหลักการเดิมก็ว่ถามว่าธรรมะเนี่ยอย่างเช่นเมตตาเนี่ยสามารถเข้าปฏิบัติได้จริงไหม จริงไม่จริงอ่ะได้เนี่ยเราสามารถสามารถทําให้เกิดได้จริงมาพูดปฏิบัติได้จริงใช่ไหมล่ะกรุณาโมติตาเบิขาปฏิบัติได้จริงไหมย่างอีกเป็นต้นมันก็สามารถทําได้จริงฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้ว่าท่านคิดอย่างไรอามาก็ต้องคิดไปตามหลักของความจริงที่เกิดขึ้นถามว่าเห็นความแตกแยกเห็นความแตกต่างของหมู่คณะสองโมล์อะไรต่างๆเห็นยังไงอามามองก็เป็นเรื่องปกติ ของสภาพสังคมคื อ, อาม า, อามาเป็นนักประวัติศาสตร์มองเห็นและเข้าใจความเป็นไปของประวัติศาสตร์ทุกยุคทุกสมัยเปลี่ยนแปลงไปตามผู้มีอำนาจบ้างใช่ไหมมันก็ว่ากันแต่จริงๆแนละ้วถ้าหากว่าหลักการของ พ, พ, พุทธบริษัทก็คือฝากเขาไว้ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้ฝากพุทธศาสนาไว้แค่กับพระพุทธศาพรทเจ้านฝากพุทธศาสนาไว้กับบริษัททั้งสี่ แต่พอเพอินทุกวันนี้เราไปโยนาศาสนาให้เป็นเรื่องของพางยุ่งเลยเดี๋ยวนี้นพระพเจ้า บ, บอกว่าก่อนที่พระเจ้าจะปฏินิพพานเนี่ยพระเจ้าบอกว่าดูก่อนมานเนี่ยเป็นรัตนนายพระเจ้น า, จนานิพพานพระเจ้าก็บอกดูก่อนมานถ้าตราบใดภิกษุภิกษุณีอุบาสกบาสิกาโดยเฉพาะอุบาสกบาสิกาเนี่ยของเรายังไม่แข็งแรงยังไม่ฉลาดในธรรม ยังไม่ประพฤติรมตามสมควรแก่ธรรมยังไม่สามารถเข้าถึงฉลาดแล้วก็สามารถเปิดเผยคำสอนสแสดงคำสอนแก้ต่างบุคคลที่มากล่าวโจมตีคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ตราบใดและถ้าพุทธบริษัททั้งสี่ ภิกษุเป็นต้นจะถึงบาสุบาสิกาเนี่ยยังไม่แข็งแรงไม่อาตถานไม่มั่นคงยังไม่สามารถประกาศหลักการของพระรัตนตรยัยให้มนุษย์และเทวดารู้ได้อย่างทั่วถึงตราบใดเราจะไม่นิพพานตราบนั้นมารก็บอกบัดเนี้ยภิกษุของท่านก็แข็งแรงภิกษุณีเป็นต้นก็แข็งแรงอาตถานอุบาสุบอุบาสิกา ก, าก็เก่ง รอบรู้พระธรรมคำสอนของพระเจ้าฉลาดในคําสอนปฏิบัติเข้าถึงคําสอนสามารถแก้ต่างบุคคลที่เห็นต่างเห็นผิดจากคาสอนคนที่เข้าใจผิดสามารถบอกให้เขาเข้าใจถูกได้ประกาศหลักการของพระรัตนาตรัยให้มนุษย์และเทวดารู้ได้อย่างทั่วถึงแล้วพระเจ้าก็โอเคยืนยันพระเจ้าจึิงรับปรัชนาและนิถานแปลว่าอะไรพระเจ้าเนี่ยมอบาศาสนาไว้ให้บริษัททั้งสี่ไม่ใช่ให้แก่พระ อย่างเดีย ว, ยยวในทุกวันนี้เราไปโยนให้พระใช่ไหมล่ะแล้วก็นึกว่าเฮ้ยไม่ใช่หน้า ท, าที่ของฉันที่จะรู้เรื่องศาสนาไม่ใช่หน้าที่ของฉันในการที่จะปฏิบัติาตามคำสอนหน้าทีของพระยุ่งนีอย่างเงี้ยยอมปัดพระ น, นี่ <ife> ปัดพระให้พระ น, นี่ใช่ไหมยอมต้องรู้เท่ากับพระต้องรู้พระรู้เท่าไหร่ยอมต้องรู้เท่านั้นรู้มากกว่าพระไม่เป็นไรแต่ห้ามน้อยกว่าพระใช่ไหมล่ะ แล้วปฏิบัติธรรมะเหมือนกันก็สามารถปฏิบัติในคารวะได้นี่ยอมเป็นสามีก็ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นสามีเป็นภรรยาก็ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นภรรยาเป็นลูกก็ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นลูกเป็นเจ้านายก็ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องก็ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นลูกน้องเป็นอุบาสกบาสิกาก็ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นอุบาสกบาสิกาที่ดีเป็นผู้บริหารก็ปฏิบัติเข้าถึงคุณธรรมความเป็นผู้บริหารพระเจ้าบอกไว้หมดใช่ไหม แม้เป็นโจรเนี่ยไปดูในโจโรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองไปดูยอมไปเปิดดูดิไปเปิดในออินเทอร์เน็ตก็ได้ไปเปิดดูที่โจโรสูตรที่หนึ่งที่สองดูดิแม้การิการจะเป็นโจรอย่างไรถึงจะวิบัติช้าพุทธเจ้ายังสอนไว้เลยสอนโจรยันพระมหากษัตริย์ใช่ไหมถ้าสอนพระมหากษัตริย์ก็สอนทศพิตราชธรรมหรือธรรมะผู้ปกครองเนี่ยใช่ไหมทานันศีลังบริจาครังอาชวังมัตวังปตปังเป็นต้นเหล่าเนี้ เนี่ยสอนหมดสอนตั้งแต่มหาโจรยันมหาราชาให้คุณนะว่าเป็นโจรอย่างไรถึงจะวิบัติช้าไม่ใช่ไม่วิบัตินะวิบัติช้าให้มีคุณธรรมอย่างไงถึงจะรักษาสถานภาพความเป็นโจรได้นานอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ถ้ารู้อย่างนี้โอแล้วก็สามารถปฏิบัติตามคำสอนได้เลยได้นั้นต่อไปยอมก็ต้องรับภาระพระาศาสนาด้วยใช่ไม ยิงได้จริงนิยมโยนให้แต่พระอย่างเดียวพระก็โอ้ยย่ำแย่ไปตามๆกันเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมเหนื่อยเลยเงี่ยพระก็เริ่มเหนื่อยเลยอ้าเชิญถามอีกได้อีกสองปัญหาจบเชิญอ่าเชิญนมัตการพระกุณเจ้าจินจัรพระดจันท์ถ้าเราสิชีวิตไปแล้วเราเนี่ย เจอที่ยังมีหน่อเนื้ออยู่ถ้าเราเชื่อว่าเรายังเวียนเวียนไหวตายเกิดจิตที่เรายังมีหน่อเนื้ออยู่เราจะไปอยู่ที่ไหนอแล้วเมื่อเรามเมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นเรามาอยู่ในการปฏิสนธินั้นเนี่ยแล้วทําไมบางบางท่านระลึกได้บางคนบางท่านระลึกชาไม่ได้ เออคืออย่างนี้กรณีาการเวียนไหวตายเกิดคืออย่างนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยนะทำามเล่าฟังสักเรื่องหนึ่งเป็นตัวอย่างอ่อใน เ, เรื่องในปัจจุบันนี้เรื่องเรื่องเรื่อ ง, องความระลึกชาติได้เนี่ยมีเยอะแล้วก็มีเคสตัวอย่างมากมายหมู่บ้านหนึ่งในอำเภอสาลีอำเภอภัยสาลีที่จังหวัดนครสวรรค์เ น, นี่ยเกือบระลึกร ะ, ะลึกชาติกันได้เกือบครึ่งครึ่งหมู่บ้าน นันเป็นเรื่องปกติยอมก็ไปทํางานวิจัยมีเยอะแยะหมดนะทั้งต่างประเทศทั้งในไทยเรื่องงานการเรื่องการระลึกชาติได้แล้วชัดเจนอะไรรายละเอียดเยอะอมาไม่เข้าไปถึงรายละเอียดสรุปแล้วคืออย่างนี้จะมาจะเล่าเรื่องตัวอย่างนี้ฟังหนึ่งคือคือพูดเรื่องเรื่องสังสารวาสเรื่องการเวียนว่ายไปเกิดมีสองสามีภรรยาเรื่องที่เกิดขึ้นสองสามีภรรยาเนี่ย ตอนนี้ก็สามีเนี่ยเป็นเป็นเกษตรกรรมเกษตรกรเป็นเนี่ยเป็นคนตัดฟืนตัดอะไรทั้งหลายแล้วก็เข้าป่าหาฟืนหาผลไม้หาของป่าทั้งหลายมาขายภรรยาก็อยู่บ้านทีนี้สามเจ้าสามีคนนี้มีน้องชายภรรยาเนี่ยเกิดมีจิตใจปฏิพัทธ์ก็คือรักกับน้องชายของสามี พอสามีไม่อยู่ก็แอบมีชู้ก็มีชู้กับเนี่ยมีชู้กับน้องชายทีนี้พอมีชู้เสร็จแล้วเนี่ยเจ้าฝ่ายผู้หญิงก็บอกว่าโอ้โหเรื่องนี้จะโดนจับได้เราก็ตายทั้งคู่อยากกันนั้นเลยให้ฆ่าพี่ชายก่อนนี่ก็ไม่กล้าพอมีเกี่ยวข้องอะไรแด็กละครก็ยุยงยุยงเลยเรื่อยๆนเข้านเข้าแรงใจออนนี่แหละของฝ่ายน้องชายนี่แหละ ก็เลยเตรียมการกันก็ไปเตรียมมีดมเข้มมาไว้อยู่ที่ท่าน้ําบอกว่าเดี๋ยวถ้าสามีกลับมาเนี่ยจะแกล้งให้ไปที่ท่าน้ําแล้วให้แอ บ, บให้แอ บ, บอยู่ตรงเนี้ยให้ถือมีดเขาไว้เพราะสามีเข้ามาก้มลงตรงนี้ให้ตัดคอเลยนะว่า ง, งั้นเถอะ<ต><ว>ทีนี้ก็พอสามีกลับมาจากป่าก็จะมาคลอเคลียภรรยาภรรยาบอกโอ้ให้ไปอาบน้ําก่อนที่ท่าน้ำเนี่ยเตรียมสบู่เตรียมอะไรไว้แล้วที่ท่าน้ํานี่ยสามีก็รีบไปด้วยความรักเนี่ยมาก ใจก็จดจ่ออยู่กับภรรยานะนี่จดจออเข้าไปเวดเสร็จปุ๊บไปก้ม ล, ล้างฟอกศีรษะด้วยด้วยสมัยโบ ร, ราณเก็ใช้พวกม่มกรูดอะไรต่างๆเนี้ย น, น้องชายก็รอจ้องอยู่ที่ท่า น, นะมตัดคอทันทีปุ๊บขาดเลยโย่ตอนนั้นจิตเป็นยางไงจิตของไอ้เจ้าเนี่คิดถึงภรรยาอยู่คิดภรรยาอยู่ พอ ต, ตัดปุ๊บเกินไปแต่ในบริเวณเหล่านั้นเนี่ยไม่มีเขตปัจจัย ใ, ใดๆที่จะให้สัตว์ถือปฏิสนธิได้เพราะคนเราเนี่ยหลักการเกิดปุ๊บตายต้องเกิดทันทีขนาดจิตเนี่ยเหมือนเราคิดถึงกรุงเทพคิดถึงอเมริกาคิดถึงจีนคิดถึงเวียดนามเน่ไปทันทีนะจิตเนี่ยไม่มีอะไรขัดขวางได้นะั่นตัวปฏิสนธิมันไม่มีรูปร่างไ อ, อตัวเนี้ย มันเข้าปฏิที่ทันทีนี่ตรงนั้นมีอะไรล่ะเหตุปัจจัยก็มีงูงูเขียวงูเขียวมันได้เหตุปัจจัยการที่จะตั้งครรภ์ปุ๊บก็ไปปฏิทีนในท้องงูเขียวนี่ไงก็ทันทีไหมทันทีเพราะต่อมางูเขียวตัวนี้ก็คลอดออกมาไข่มาก็โตเป็นตัวงูเลยล่ะมันยังเอืึกได้อยู่สัญญามันจําใกล้ตายมันจําเมียเมียอยู่มันก็คอยอยู่ในหลังบ้านหลังนั้นแล้ววิ่งวิ่งวิ่งคอยดูอยู่ พอมันโตขึ้นมาหน่อยสัญชาติญาณมันเริ่มวิ่งได้พอผู้หญิงคนนี้เดินมามันก็โดดใส่มันรักมันเนี่ยเขาก็ตกใจพอตกใจขึ้นมาคว้ามีดมาตัดคอปุ๊บขาดไหมขาดตายไหมตายจุติตา ย, ตา ย, ตา ย, ตายปฏิทินที่อีกแล้วในนั้นเหตุปัจจัยอะไรสุนัขในบ้านนั้นได้เกิดในท้องสุนัขในบ้านนั้นเพราะได้เหตุปัจจัยนั่นเองอาศัยได้เหตุปัจจัยก็ไปเกิด เกิดในท้องสุนัขโตขึ้นมาคลอดออกมาสุนัขตัวนี้มันรักอีกแล้วมันคิดมันคิดคิดมันก็คิดในสัญญามันจำได้อยู่มันผูกมันวิ่งวิ่งตามไปใครก็ล่อเออในผ่านลอลลอร้ออายเขาอย่งนี้ตามเราขนาดนี้หน่กเข้าหนักเข้าอยาางนั้นเลยก็ฆ่าสุนัขนั้นตายอีกที วิธีก็คืพอฆ่าทุบสุนัมนั้นตายเนะยตัวเล็กๆไปทุบมันตายกบตายอีกเกิดตรงไหนไปเกิดในวัวเลี้ยง ว, วัวไว้ทีบ้านเนี่ยไปเกิดในท้องวัวอยู่เอาเลยพอโตขึ้นามาก็วิ่งพันแข่งพันขายผู้หญิงคนเนี้ยก็อายเขาจะทำไงต่อไปที่ท่านนะแล้วก็เอาเอ า, เอาหินมัดคอ พักไอ้ลูกวัว น, นี้ลงน้ำไปดิ้นตูมๆในน้ำตายต้นเองเกี่ยวข้องกับน้องชาได้เหตุปัจจัยปฏิทินที่ททไหนเป็นลูกอยู่ในท้องเลยเดนี้พอคลอดออกมาสัญญามันจำได้เดีคนนี้แม่มันจับไม่ได้หรือมันจำได้มันจำได้ทบมันมาหลายชาติเข้าใจไหมมันติดติด ต, ดติดกันเข้าใจยัง สัญญามันจําหน้าโดนดนทุกมามันก็ร้องตลอดจับก็ไม่ได้ก็เลยต้องไอ้เด็กคนนี้ไปอยู่กับตาอยู่กับตาตาก็ไปเลี้ยงเลี้ยงเห็นหน้าแม่ไม่ได้ได้ยินเสียงก็ไม่ได้ถูกตัวก็ไม่ไ้มันร้องสั่นตัวเขียวเลยพอมันเริ่มพูดได้พูดได้ก็ถามทําไมมันบอกไม่ใช่แม่เราเพชคาดไม่ใช่แม่เพชฌฆาโอ้โหเล่าเล่าแต่ภาพทั้งตาและหลานร้องไห้พอโตขึ้นมาพอเด็กได้ยุสักเจ็ดแปดขวบ ออกบวชกันทั้งคู่เลยแล้วบรรลุต้องการชี้เห็นเรื่องสังสารวัตฏไม่ใช่ว่าพอตายปุ๊บแล้วมีวิญญาณลอยเหมือนเราดูในละครไม่ใช่ยอมนะที่มีดวงดวงลอยไปเข้าท้องไม่ใช่อันนี้อันนี้เป็นเทคนิคการถ่ายทาแต่จริงๆโดยหลักการคือเหมือนเนี้ยยอมยอมยอมเข้าห้องน้ำปิดประตูออกมานะยอมส่งใจเข้าไปที มันเข้าทางไหนทันทีไหมทันทีหีบเนี่ยยอมเปิดทีปิดหีบแล้วส่งใจเข้าไปในหีบทันทีเลยโยงยอมจะส่งใจไปที่ไหนก็ได้นั่นแหละก็คือตัวจุติปฏินี้ก็คือนามมาทำล้วนๆไม่มีอะไรกีดขั้นขัดขวางได้นี่กระบวนการความรวดเร็วของนามมาทำแต่มันได้เหตุปัจจัยหลายอย่างทั้งนามมาทำถ้าตรงการทางวิทยาศาสตร์เขาก็พิสูจน์ได้แค่รูปธรรมแต่ ในในในการปฏิสนธิครั้งแรกถ้าเป็นเด็กออในกระละเนี่ยน้ําใสเล็กเนี่ยจนเท่ากับไปตัวเอาเอาขนเอาเส้นเส้นขนเนี่ยนะขนตาขนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในน้ํามันงาเ น, น, นี้เสียวก็ไปน้ํามันงานแล้วก็สลัดสลัดเนี่ยให้เหลือเล็กที่สุดเนี่ยมันเป็น จุดเล็กที่ที่สุดน่จนไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อนี่นะไอตัวนั้นตัวรูปธรรมนะในนั้นมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชามีมีกายภาวะมีกายะมีกายะแล้วก็มีภาวะมีความเป็นเพศอยู่แล้วในในนั้นอันกลุ่มรูปธรรมแล้วก็มีตัวปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิด้วย สรุปก็คือทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่เกิดขึ้นเป็นกระละนกดแรกจุดเล็กนิดแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวขึ้นมาสัปดาห์ที่หนึ่งเป็นยังไงสัปดาห์ที่สองเป็นยังไงสัปดาห์ที่สามเป็นยังไงเนี่ยพระเจ้ากล่าวไว้เลยในคมภีรสั่งยุทธ์เนี่ยปฐมังกาลังโหติเป็นต้นเนี่ยกล่าวรายละเอียดการปฏิสนที่ตั้งแต่ แ, แรกๆเกิดเป็นยังไงแล้วมาต่อมาก็มี เริ่มเป็นชิ้นเนื้อจากชิ้นเนื้อเริ่มเป็นขุนขึ้นมาเป็นสันฐานเหมือนไข่ไก่แล้วก็แตกออกมาเป็นปันจาสาขาเป็นห้าปุมศีรษะหนึ่งแขนหนึ่งแขนสองขาสองยังไงเนี่ยพิกล่าวไว้ในวไต ย, ยุโลกเรื่องนี้กล่าวไว้สองพันห้าร้อยกว่าปีไปดูได้ดูได้ในวิตยุโลกเรื่องนี้เราจะเห็นอะไรโอ้โหนี่สภัญยุทธญาณนั้นนั้นที่จะไปรู้รายละเอียดตรงนี้เนี่ยเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเรื่องการเกิดการตายไม่ใช่เกิดปุ๊บลอยไม่ใช่ เกิดทันทีมีคนไม่เกิดอยู่จะพวกเดียวโยมพระรหานะตายแล้วนิพพานหมดการเวียนว่ายตายเกิดนั่นแหละดัดนอกกนั้นตั้งแต่พระพระนาคาลงมาจนถึงบุรุษชนตายแล้วเกิดทั้งนั้นพอจะชัดเจนไหมพวกเราไม่ต้องกลัวว่าตายแล้วจะไม่เกิดทีนี้บอกหน่อย อะไรเป็นเหตุนำเกิดคนเวลาใกล้จะตายเนี่ยนะเพั้<ใ>นพวกเราเป็นหมอก็ดีเป็นพยาบาลก็ดีไปนคนที่นอนอยู่ในเตียงคนไข้ใกล้กลตายคนจะตายจะมีนิมิตนิมิตมาปรากฏนิมิตมีปรากฏในใจเขาก็ได้ปรากฏให้เขาเห็นชัดๆเลยก็ได้แต่เราไม่เห็นแต่เราสามารถเั้นคนใกล้จะตายเนี่ย ถ้ามีนิมิตมันจะมีสองส่วนเป็นสุขคตินิมิตกับทุกขคตินิมิตเป็นนิมิตที่จะนํำให้เขาไปเกิดดีกับเกิดไม่ดีเช่นเช่นพอใกล้จะตายสมมุติว่าทะเลปรากฏกับเขาเป็นนิมิตปทะเลปรากฏเขายอมคิดว่าเขาควรเกิดเป็นอะไรก็เยอะแยะหมดทั้งปลากุ้งหอยปูปลาหรือว่าป่าปรากฏกับเขาใช่ไหมล่ะ หรือว่าไก่ปรากฏเป็ดปรากฏหรือไฟปรากฏอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสุขตินิมิตก็เป็นมนุษย์บ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นวิมานบ้างอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่นิมิตเนี้ยมันจะมีสองส่วนเป็นสุขตินิมิตกัไอ้นิมิตเหล่าเนี้ยปรากฏในใจในขณะที่ใจเขาอ่อนแอใจเขาก็ยึดตรงนั้นก็ไว้ปฏิสติก็เกิดนําเกิดทันทีอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นลักษณะแบบนี้คนที่ไม่มีนิมิตมีจําพวกเดียวกือพระอรหันต์ พระรหัสจะไม่มีนิมิตมาปรากฏเลยเพราะไม่มีตัวนําเกิดแล้วแต่เราทั้งหลายจะมีนิมิตสองส่วนนะยอมสังเกตได้ถ้าคนใกล้จะตายถ้ามีอาการกระเสือกกระสนกระวนกระวายแล้วเพ้ออย่างนี้แน่นอนไปไม่ดีไปไม่ดีร้องเหมือนถูกเชือดเหมือนถูกเชือดเหมือนถูกทุบตีอะไรก็แล้วแต่อากลับกิริยาที่เราสังเกต ด, ดูถ้าเราฉลาดพอก็สามารถจะเปลี่ยนนิมิตเขาได้ แต่ถ้าความสามารถไม่ถึงก็ปล่อยเข้าไปทุกนั้นตรงนี้บางทีปู่ตายายยายของเราเนี่ยเวียนว่า้ตายเกิดเยอะแยะอายุขัยยาวอยู่เรื่องหนึ่งจะได้เห็นว่าเพราะเราถ้าหากเราเรามีคนมีฤทธิ์อยู่ด้วยเขาก็ชี้เห็นได้เพราเออเราไม่มีมีมีเรื่องหนึ่งอชื่อพระนางอุปภรีกับพระเจ้าอัศกฤตอย่าไปดินนะพระนางอุปภรีนี่ชอบแต่งตัวชอบแต่งตัวชอบ่ ชอบเที่ยวอุทยานหลงวัวเมามีทิติมานะเยอะต่อมาตายตายตอนเป็นสาวด้วยอู้หูพระราชารลิวเสียใจร้องไห้ไม่ยอมเผาประศพต่อมาเนี่ยตอนนั้นนะพระบริษัตว์มีฤทธิ์เป็นฤาษีเนี่ยห่ อ, อมาห อ, อกมาก็บอกให้ไปห<อ> <ไป S 2> าพระเจ้าอัสกาหน่อยที่พระเยาวดินนะจะบอกคติของนางองพุพดีคนก็ไปตามลงมาท่า น, นก็ถามว่า มหาบอกพีดรู้ไหมว่าพ่อแม่เหียสีตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรผมไม่รู้อยากรู้ไหมอยากรู้บอกแล้วจะเชื่อไหมบอกให้บอกก่อนบอกให้บอกก่อนก็เลยชี้ไปว่ายังไงมีกองอุจจระวัวควายอยู่ในเนี่ยพระยาศาสกาเชื่อไหมไม่เชื่อเอาไม่เชื่อทํายังไงท่านก็ อาศัยฤทธิ์ของท่านกำลังสมาธิกำลังสมาบัติอธิษฐานให้ออกมาทำความร้อนให้เกิดขึ้นท่านธาตุไฟเกิดขึ้นร้อนออกมาคานออกมาสองตัวเป็นตัวด้วมใหญ่ๆขาวๆมีสองตัวก <t> ็ <could> ถามพระเจ้าปินถามรู้ไหมพระนาอุภรีตัวไหนไม่รู้อยากรู้ไหมอยากรู้ใน <M> ตัวที่เดินตามหลังเชื่อไหมไม้เชื่อ เป็นไปได้ยังไงมนุษย์ตาแล้วไปเกิดเป็นนอนอยังไงก็ไม่เชื่อไม่เชื่อทำไงท่านก็ใช้ฤทธกของท่านให้พูดซะเองเลยให้หนอนนั่นหลพูดให้พูดเลยรายงานเลยถามว่าเธอเป็นใครบอกชื่ออุปรีใหด้ดีเป็นภรรยาของพระเจ้าอาาาัสกะเป็นมเหสีพระเจ้าอาาาัสกะถามต่อบอกว่าตอนนี้ยังคิดถึงพระเจ้าอัสการอยู่ไมบอกอะไร ถ้าฉันมีปีกถ้าบินได้จะบินไปกัดคอพระเจ้าสกะเอาเลือดมาล้างเท้าสามีเพื่อไปได้สามีใหม่เข้าใจยังโอ้พราสกาก็เลยถามต่อท่านก็บอกว่าท่านเจ้าค้าสังสารวัตรเป็นอย่างเนี้ทุกใหม่ทับถมทุกเก่าสุขใหม่ทับถมสุขเก่าเออ ทุกเก่าทับถมทุกใหม่อทุกสึ ก, ท, กทุกใหม่ทับถมทุกเก่าสุกใหม่ก็ทับถมสุกเก่าอ้าวปัจจุบันเนี่ยทําไมระลึกไม่ได้เราเจอปัญหาความทุกข์ในปัจจุบันมันทับถมแล้วเราเป็นคนที่สติสัมปชัญญะไม่แข็งแรงเหมือนสัตว์บางประเภทถ้าใครที่ตายเกิดตายเกิดแล้วมันติดต่อแล้วมันทรงจําแรงๆเนี่ยจะระลึกได้ แต่ถ้าไม่มีสติสมัมปชัญญะแรงๆอย่างติดต่อเนี่ยระลึกไม่ได้ทุกคนเป็นอย่างนี้มันถูกพบชาติเป็นตัวปิดกัน้นเป็นตัวขัดขวางทำให้ระลึกไม่ได้แต่คนที่กิจเจริญสติมีกำลังสติดีๆระลึกได้แทบทุกคนเป็นนี้เราสามารถจะฝึกตัวเองให้ระลึกได้ไหมได้มีวิธีไหมมีมมมในหลักการพระสาสห า, าดีตรงนี้เยอ ดีตรงที่มีวิธีการถ้าปรารถนาอยากจะระลึกเนี่ยมีวิธีการให้ฝึกเลยจะฝึกยังไงและไปอัตภาพถัดไปแล้วจะระลึกหรือถ้าต้องการจะระลึกในอัตภาพนี้ได้ก็มีวิธีอีกกล้าที่จะ ม, มาฝึกไหมท่านจะสอนวิธีระลึกระลึกอฝึกสมาธิแล้วก็ระลึกทีละขั้นตอนอยังไงทีละขั้นตอนอยังไงที่ส่วนจริงจะทะลุดได้แต่ต้องใช้เวลาน่ อ, อย่างเงี้ยเนี่ยมันดีตรงนี้แหละในหลักการพุทธศาสนาเนี่ย หลักการคือสอนเลยแนะนำเลยว่าจะทำยังไงพอจะชัดเจนนด้ยังงั้นอย่าแปลกใจว่าระลึกไม่ได้ก็มีระลึกได้ก็มีอาจจะมีารื่องของการใช้มฟีนคนใช้แล้วตอนที่เราโมฟีนคนใช้สงบเนี่ยคนใช้ก็จะมีคมมารถนการภาวนาเป็นสิทธิ์อะไ อเช่นนั้นพอตรงนี้ตอบได้เลยไม่มีเพราะว่าไอ้ตัวมอร์ฟีนไปกดที่สมองมันทําให้เมาว ด, ดีอามาเคยใช้มอร์ฟีนตอนผ่าตัดแล้วเวลาคนโดนมอร์ฟีนเข้าไปเนี่ยมันจะมีอาการทางสมองเนี่ยมันจะไปกดทับทําให้ความรู้สึกหลายๆอย่างเนี่ยมันระลึกได้ไม่เร็วแล้วมันจะเคลิม้มแล้วมันก็จะเพลินไปตรงนั้นฉะนั้นไอ้กรณีแห่งการที่ถ้าใช้ สิ่งต่างๆเหล่านี้ไปให้เข้าไปเนี่ยโอกาสสติสัมปชัญญะของผู้ใกล้าตายเนี่ยไม่ค่อยดีเขาอาจจะสุกไปในขนาดนั้นเท่านั้นเองเพาะฉะนั้นถ้าหากว่าเอามาเล่าให้ฟังเรื่องยอมพ่อดีกว่าเราจะได้เป็นกุตัวอย่างอามาเนี่ยยอมพ่ออามาเนี่ยเป็นมะเร็งเมื่อสามสามปีที่แล้วเนี่ยอามาก็ไปอยู่แล้วก็ไปบินาบาทไปอยู่ด้วยแล้วก็ดูแลประมาณเดือนกว่าๆเป็นระยะสุดท้าย อามาไม่รักษารักษาตามอาการทงนรักษาตามอาการแต่สิ่งที่อามาให้ที่สุดก็คือข้อมูลความรู้ให้เจริญกุศลทุกวันยังไงบอกข้อมูลยังไงบอกให้ระลึกตั้งจิตยังไงให้ไปยังไงมีนิมิตไม่ดีมาแก้ยังไงเป็นต้นเนี่ยทํารายละเอียดเยอะพอถึงวันจะไปจริงๆอามาให้สลักท่านมีอะไรต่างให้สลักเดินทานกุศลให้หมดให้ไม่จนไม่มีเลยเหลือเลยไม่ห่วงเลย แล้วก็นั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วหนักเข้านิมิตมาพอนิมิต ม, มาบอกกับท่านบอกมีคนมารับท่ า, ทานก็ถามบอาให้ถามหน่อยที่ว่าเขารับเป็นเขาบอกเขารับไปที่ดา ว, วดึงท่านบอกก็ได้เอาแล้วก็ประคองให้ท่านนั่งแล้วก็ค่อยๆบอกแหละบอกว่าพ่อให้ให้ไปที่ดา ว, วดึงนะ ให้ระลึกยังไงบอกข้อมูลยังไงได้ประคับครับครับแล้วก็ไปในขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยถ้ากรณีอย่างเงี้ยแปลว่าเราดูแลทุกขั้นตอนแต่ไม่ให้ท่านหลงยามีไม้ตอนนั้นมอฟรีนั่นก็ไม่ให้เพราะถ้าให้ไปแล้วเดี๋ยวแกก็จะหลับไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องเราก็จะไม่เพราะคนเราเวลาจะตายจริงๆเนี่ยอาการเจ็บปวดมันหายทุกคนเลย ก่อนหน้าที่จะตาจะดิ้นทุรนทุลายแต่พอนนั้นจริงๆเดี๋ยวก็จะค่อยสงบลงและตอนนั้นแหละเราก็ค่อยบอกข้อมูลค่อยๆบอกค่อยๆบอกแล้วก็ให้แก่ได้นิมิตที่ดีอาจจะเป็นเสียงสวดมนต์หรืออาการให้ระลึกอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไปอัดก็ไปที่ให้เขาเบลอหรืออะไรเนี่ยเพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บและปวดอย่างเงี้ยไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราจะให้สมมุติว่าก่อนหน้านั้นอาจจะให้ได้ แต่ว่าต้องให้การะยะว่าให้มหมดไม่อย่าไปาทําทุรนทุรายเกินไปอาจจะให้เบาๆเลยก็ว่าไปแต่อย่าให้จนถึงเขาสติสมัชัญยญ้าเขาเริเลือกอะไรไหมก็ก็ให้ดูที่ยาหรือโดส ย, ยาที่จะให้นี่หมอเราลองไปคํานวณกันดูก็แล้วกันดูเพราะจริงๆเรามีส่วนที่จะทําให้เขาไปดีและไม่ ด, ไ ด, ไดีได้ได้มากที่สุดหมอก็ดีพยาบาลก็ดีเราเป็นกัญยาณมีที่ใกล้ชิดคนป่วยมากที่สุด แต่ถ้าหากไม่เป็นกัลยาณมิตรก็เป็นปลาประมิตรใกล้ชิดคนป่วยได้มากนี่สือคือทาให้เขาไปไม่ดีก็ได้ทําให้เขาไปไดีก็ได้อยู่ที่เราที่เราจะให้เหตุปัจจัยโดยที่จริงอาชีพของพวกเราเป็นกุศลเยอะนะเป็นกุศลเยอะถ้าเข้าใจถ้ารู้กระบวนการการตายการเกิดอย่างนี้นะเพราะจริงๆเป็นเรื่องปกติเรื่องการตายทุกชีวิตก็ต้องเดินไปสู่จุดแหงการตายแต่เพียงสําคัญที่สุดเราจะให้นิมิตหมายที่ดีไงนี้เป็นต้น โอเคสงกอนเกี okay, ็วเวลาอ้าวเชิญเชิญอีกหนึ่งบัญหาเชิญบอย ที่สี่ทียาได้คือาเอยู่ของแสงใสในความเสงใมอยากจะถามว่าเรื่องเองของการก้าวข้ามไปบ้างก้าข้ามไปางอย่างไนในังในไทยก็ยัมเรื่องของโรภพหรือบทละครข้าข้าไปไหนก็ยเรื่องของเอ่อจะจะจะจเรื่องของอีกทีนเรื่องของตัวลิมอนครับชุดเราข้าม้าไปแล้วข้ามา เาสาร้ได้ก็ออ้อได้่ว่านน เ, ป เ, ป เ, ปเป็นไนนออครับคือเกี่ยวในเรื่องของฤทธิ์เนี่ยในทางพระศาสนาอิทธิวิทย์ที่แสดงฤทธิ์ได้ที่พระจกักขุตาทิพที่พระโสตาหุทิพย์เจโตปริยญ า, ยาู้วะละจิตของบุคคลอื่นบุพเพนิวาสานุสติญาเนี่ยรู้อดีตนะสามารถย้อนอดีตได้ ตามกำลังของยานปัญญา ข, ของของท่านผู้เจริญได้ไดและฝึกได้แล้วก็จุดตูประปาตยานก็คือยาที่รู้จุดติรู้ปฏิสุทธิการวิว่ายตายเกิดของสัตว์ทั้งหลายตลอดถึงอาสวะขยะยาเก็ททำอาสวะกิเลสในสิ้นในบรรดาลิตรทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ไหมมีแต่ไม่ใช่เป็นจุดมุ่งหมายในพุทธศาสนาเขาเรียกผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ ที่จริงจุดหมายตามพุทธศาสนาสมาธิพิกเวยาบาเวถาสมัยโทยถาภูตังปชาาติเนี่ยจุดปุ่งหมายของการเจริญสมาธิเนี่ยเพื่อเป็นฐานในการปฏิบัติการให้เกิดปัญญายานที่จะไปรู้ตามความเป็นจริงในการที่จะละราคะโทสามโมหะแต่ในเมื่อทำตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีผลพิเศษก็คือผลพลอยได้มาเช่นฤทธ์ทั้งหลายที่เกิดมาได้ได้ไดอานาจถึการหอกได้ หรือว่ามีฤทธิ์ทางด้วยอำนาจถึงใจสามารถที่จะทำความพิเศษต่างๆตามกำลังบุญของบุคคลนั้นสั่งสมมานี้ได้อย่างนี้เป็นตน <c oughs> ้นส่วนอีกประเภทหนึ่งประเภทที่บุญในอดีตไม่มีกำลังหรอกแต่เมื่อฝึกในปัจจุบันก็มีวิธีการอยู่ในหลักการคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีวิธีการอยู่แต่ว่าท่านไม่ให้สอนท่านไม่สอนให้ไปฝึกก่อน ถ้าสมมตุติถ้ามีกิเลสแล้วไปฝึกฤทธิ์มันจะมีปัญหาเรื่องการติดแล้วก็ทําให้คนอื่นหลงไปตามตนเองด้วยและตนเองก็ไปเพลิดเพล อ, อนอยู่กับการสแสดงฤทธิ์นั้นด้วยก็เลยไม่เข้าถึงจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนาเพราะจุดหมายสูงสุดพุทธศาสนาคือการมีปัญญาเพื่อจะละกิเลสเพื่อให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ใช่ไหมเนี่ยจุดมุ่งหมายตรงนี้ต้องต้องเข้าใจตรงกันตรงนี้ก่อนแต่พวกฤทธิ์ทั้งหลาย การเหาะการเข้าไปรู้การเข้าไปอยู่ในอัตภาพหรือพบนั้นพบนี้องเงี้ยเป็นต้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพระโมคคัลลานะมีอยู่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ปุพารามแสดงธรรมอยู่ในห้องเท้าสก่าโม่เฝ้าพระเจ้าเขาแสดงธรรมพระโมคคัลลานะอยู่อีกห้องหนึ่งไม่ได้ยินพยายามฟังไงก็ไม่ได้ยินฟังไงก็ไม่ได้ยินพอเท้าสกะกับประเทศท่านก็อันตรธานเหมือนคนที่ คูแขนเข้าแล้วเหยียดแขนออกความเร็วของกําลังฤทธิ์ของท่านเนี่ยท่านก็หายจากอัตภาพนี้ไปปรากฏอีกในพบหนึ่งได้เลยอันนี้นี่กำลังฤทธิ์เนียนี่กําลังฤทธิ์ของท่านพอท่านไปปบเ<ต>ท้าสกะเห็นก็นอู้พระเถระมาพระเถระมาก็เลยบอกว่าคือพระเถร ะ, เะไปถึงปบท่านก็ถามบอกว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเรื่องอะไรเท้าสกะลืม พอไปอยู่ในพบของท่านแล้วท่านมีกิจเยอะมีมีกิจเยอะมีภารกิจเยอะแล้วก็มีแต่ของงามๆทั้งนั้นท่านก็เลยบ่ายเบีย่ยงท่านก็ชี้ไปที่เวชยานนภศาสตร์ท่านก็บอกว่าเนี่ยดูพระคุณเจา้าดูบุญของโยมสิเนี่ยเวชยันนภศาสตรเนี่ยมีกลุ่มพวกไ อ, อ้ฆ่าทาตบริวารเนี่ยสามสิบสามสิบห้าล้านคน นี่ค่าทาาบริวาร น, นะประชากรเฉพาะเฉพาะเป็นเราค่าท่าบริวารเนนะี่ยสามสิบสามสิบห้าล้านนี่ยังไม่นับกลุ่มอื่นยังไม่นับไอ้กลุ่มอื่นอนนะวะ่างั้นเถอะแล้วก็ให้เห็นปราสาทเวชยันปราสาทนี่ ใ, ใหญ่โตมโหฬารมากแข็งแรงมากพระเถวราเห็นอย่างนั้นขึ้นมาก็เลยบอกโอ้เทวดาเนี่ยเท้าสกานีประมาทเนาะท่านก็เลยเข้าสมาบัติท่านแล้วก็เข้าอาโปอาโปกสินทำพื้นแผ่นดินให้เป็นน้ํา พื้นของของของสวรรค์ชั้นจาตมอ่ะชั้นเดาดึงให้เป็นน้ำพอทำให้เป็นน้ำเต่อเต็จหมดปุ๊บท่านก็เข้าวายโยกสิทธิ์อีกครั้งนึงก็ใช้กำลังลมในพัดแล้วท่านก็ใช้เท้านิ้วเท้าของท่านสะกิดสะกิดที่เวชยนันปราทนิดเดียวพันดินก็ไหวทั้งประเทศเลยไหว Icana, โอ้ <แ anf, S 2> โหหมู่กลุ่มนางกลุ่มพวกนางฟ้ากลุ่มเทพธิดาก็พากันล้อมกลัวตายแม้เท้าสก่าก็กลัวตายตกตะลึงขึ้นมาก็นึกถึงพระเจ้าพอนึกขึ้นได้ขึ้นมาท่านก็ย้อนถามบอกว่าตกลงแล้วพระเจ้าเทพเรื่องอะไรท่านก็ละลําละลักขึ้นมาบอกเพราะพระเจ้าเทศเรื่องความไม่ต้องหา ตรงเนี้ยพระเถระต้องการเตือนสติใช่ไหมพระเถ ท, ที่ฤทธิท่านมีเ น, นี่ยท่านมีไว้เพื่ออะไรเพื่อกระตุกคนให้ได้ไม่ประมาทไม่ใช่มีไว้อวดมีไว้เพื่อให้ว่าเจอเหล่าสัตว์ไม่ประมาทออประมาทแล้วทำยังไงไม่ประมาทแล้วท่านก็แสดงธรรมไงนี้เป็นต้นเมื่อสักครู่ที่ถามบอกว่าการเข้าไปสู่พบนุนพบนี้ทําได้ไหมได้ท่านมีวิธีไหมมีมีหลักการในการทําำไหม แต่ว่าเราจะทำได้ไหมอันนี้แต่ละบุคคลแต่ละบุคคลมีหลักการบอกไว้ทั้งหมดในพุทธศาสนาจะบอกไว้โอเคสงคันเก่วเวลาแล้วเนาะขอมโนทนากักพวกเราเนียเอามาก็ตอบปัญหาอาจจะตรงประเด็นบ้างไม่ตรงประเด็นบ้างแล้วก็ขอมโนทนาในพวกเราที่ตั้งใจตั้งใจในการที่จะมาฝึกฝนพัฒนาตน เ, นเองทุกด้าน ก็ขอทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจและด้านปัญญาโดยเฉพาะด้านปัญญาสำคัญให้พวกเราทั้งหลายก็คือฝึกฝนพัฒนาเรียนรู้ให้เต็มที่ให้เต็มศักยภาพเต็มความสามารถที่มนุษย์คนหนึ่งได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในฝ่ายของเป็นผู้บริหา ร, ารมีโอกาสที่จะกลับเข้าไปทำงานอยู่ในองค์กรในระดับผู้นำานีไอตรงนี้สาคัญมากพุทธเจ้าให้ความสาคัญคาว่าผู้นาในสูงมาก อุปมาเหมือนกับโคจากฝูงโคจากฝูงเนี่ยท่านําเนี่ยถ้านําลูกฝูงไปคดเนี่ยมันจะคดเนี่ยท่านําไปตรงแล้วมันจะตรงถ้าโยมเคยดูสารคาดีเราจะเจอเพวกโคหรือลูกวัวหรือสัตว์ม้าหลายทั้งหลายเนี่ยเป็นหัวหน้าที่นําไม่ดีไปข้ามเพื่อจะข้ามไปหาคว า, าวางาังเพื่อจะไปกินหญ้าอีกฝั่งนึงแต่ไม่กําหนดทิศทางให้ดี ไปข้ามตรงน้าที่มันเชี่ยวและมีมีจระเข้มีสัตว์ร้ายเยอะตอนเองอาจจะรอดแต่ลูกฝูงตายเป็นส่วนใหญ่ขออย่าให้เป็นโครประเภทนั้นอย่าเป็นผู้นำประเภทนั้นที่นำคนไปตายไปวิบัติหรือว่าไปเกิดไปไปเสียหายให้เป็นโคที่ฉลาดเป็นผู้นำที่ฉลาดมีศักยภาพมีความสามารถนอกจากมีเจตนาที่ดีและไม่ฟอง ต้องมีปัญญาถึงด้วยเจตนาดีปัญญาถึงเราก็จะสามารถนำหมู่นำองค์กรนำคณะเข้าถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะเราในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทก็ให้ตระหนักความเป็นพุทธแล้วก็ศึกษาคำสอนพระเจ้าเอาไปใช้ให้ได้โดยเฉพาะอาริยสัจสี่พรหมมิหารสังคาวัตถุที่อาบาเน้นขอให้เอาไปศึกษาไปอ่าน อาจจะฟังหรืออะไรก็แล้วแต่เอาไปศึกษาอ่านแล้วก็ไปทำให้เกิดผล ไ, ได้ท้ายที่สุดถึงการบรรยายนี้ขออ้างอิงอภุดของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ขอให้อานุภาพของพระพุทธเจ้าจงเป็นปัจจัยเกิดหนุนนำพากระแสชีวิตของเราททั้งหลายให้เป็นผู้เหลาเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายขอให้เทวดารักษาเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย ไฟสตรายาพิษโรคร้ายอย่าได้เบียดเบียนมีสีหน้าที่ผ่องใสมีสมาธิตั้งมั่นเร็วไม่หลงทําการกิริยาปรารถนาทราบคอยได้ทราบปรารถนายศคอยได้ยอดปรารถนาความสุขคอยได้ความสุขให้สมปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถอสาทุกสาทุกเออใครไปยกอเออเอามามีวิทยุอยู่สี่สิบเครื่องเป็นวิทยุที่จะมาบรรยาย ให้แต่เฉพาะคนที่ต้องการเอาไปฟังจริงๆงเท่านั้นไช่ไปยกไหมข้างล่างอยู่ชั้นล่างแต่ไม่ครบทุกค น, นถ้าใครปรารถนาอยากจะไปศึกษาและเรียนรู้ข้อมูลของหลักการในการเอาไปใช้ในชีวิตจริงๆเอามาพูดไว้ประมาณสามร้อยกว่าเรื่องพอดีทางธนาคาร ยอมที่เป็นเจ้าของธนาคารกสิกรไทยเขาทำถวายชุดละหกร้อยแต่เขาแจกดีนะเป็นชุดอย่างดีมีเมมโมรีการ์ดพราท่านก็เป็นคนผู้ที่ใส่ข้อมูลให้แล้วก็ยอมก็ช่วยกันทตอนนี้ก็แจกไปจะทั่วประเทศนะ้ต่างประเทศก็แจกไปประเทศลาว <c oughs> จะยอมเอาเอาไว้ไปฟังเร สำหรับบุคคลที่สนใจจะิลไปฟังคับถ้ายังไม่ได้สนใจไม่อะไรก็ไม่เป็นเฉพาะที่ต้องการอยากจะรู้ก็กราบน้ำสการพระผู้เจ้าครับผมในฐานะตัวแทนของผู้เข้รักการอบรมนะครับขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้แสดงธรรมแล้วก็อบรมในการบริหารจิตนะครับผมโดยปรินาให้หลักธรรม ชั้นสูงและเป็นหลักธรรมที่ดีนะครับทั้งในเรื่องของการเจริญปัญญานะครับอริยสัจสี่นะครับแล้วก็ภพวิหารสี่ังข่าวหาวัตถุแล้วก็ณานนาตตาตานะครับผมซึ่งจะเป็นแนวทางในการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของผู้ขรกะกระเบิทุกท่านแล้วก็รวมทั้งการนำไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จขององค์กรครับแล้วก็ ในโอกาสนี้ขอเชิญผู้คลักรัท่านบูชาคุณพระลาไต่ครับโยการนมโมสามจบแล้พระบูชาครับผมพรม้อมกครับนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมโตัตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมโตัตสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสมโตัตสมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะะวันตังอภิวาเทมิ สวากขาโตพระวตาธรรมโมธรรมมังนมะสาริสุปฏิปันโนพระวตสาวกสังโฆสังครนมานิและในโอกาสอันดีนี้นะครับก็ที่มีโอกาสได้ฟังพัทธมเทศนาของอพระคุณเจ้า